โอเคเราก็เริ่มต้นสนทนาธรรมทักทายกันไปก่อนดีกว่าครัคุณทัศนาจากที่ไหนอันนิวอ่าเปิดอันนิวจากจากรุงเทพค่ะพระอาจารย์อ่า uh, เป็นไงสบายดียเหรอก็ตัง้งใจอปบปก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติตั้งแต่ที่ที่แล้วครับพระอาจารย์ uh, ปฏิบัติไลน์สติใช่ไหม ถ้าอาจารย์เราก็ให้ดูลมได้ก็คือว่าเริ่มจากสติก็คือว่าสวดมนต์ใช่ไหมคะแล้วก็ดูจากแบปัจจุบันขณะคือใช้จะใช้กายะคะ่ะคือพยายามสติก็คือว่าทําอะไรให้มีสติคือจะไม่ได้ใช้พุโธนะครัอาจารย์จะชอบแบบว่า ใ, ใ, ใช้ร่างกายมากกว่าแล้วก็เตอนนั้นเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้เรียนถามพระอาจารย์ว่าตอนที่ไปสองโมงเฟซบุ๊กไลฟเนี่ยก็จะนั่งสมาธิฟังแต่ว่าเผอิญได้ฟังที่พระอาจารย์พูดแล้วว่า เวลาฟังพระอาจารย์พูดเนี่ยไม่ได้ให้นั่งสมาธิให้มีสติแล้วฟังก็เลยเปลี่ยนก็กลายเป็นนั่งสมาธิเช้าแล้วก็่อนช่วงหลังจากพระอาจารย์แล้วก็ตอนเย็นพยายามนั่งสามครั้งนะคะพยายามตั้งใจก็จะนนั่งนั่งฟังธรรมนันก็ได้สมาธิด้วยถ้ะก็ได้สมาธิใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิก็นั่งฟังธรรมเฉยๆนั่งฟังธรรมแล้วตัวธรรมนี่จะเป็นตัวอารมณ์แทนลมหายใจได้อ๋อเจ้าค่ะ แปลงว่าก็ได้นั่งก็ได้ก็ได้ปฏิบัติตันนั้นเป็นชั่วโมงเพราะว่านั่งที่ยางฝึกไม่ขยับเพราะว่าเดี๋ยวพอได้ไปที่ถ้าเกิดได้ีโอกาสไปที่กุฏิเขาชิโอจะนั่งข้างบนจะไม่ไปไหนจะนั่งค่ะก็เลยฝึกเอาไว้ก่อนเจ้าค่ะแล้วก็ก็ก็คือพอคือเข้าใจเข้าใจมากขึ้นเจ้ค่ะก็พยายามนั่งฝึกกําลังของสติไว้ให้เยอะเพราะว่าาจะได้มีจะได้เข้าสมาธิได้ได้นานขึ้นแล้วก็ แล้วก็ตอนนี้อยากสงสัยอันหนึ่งคือว่าได้กลับไปอ่านที่พระอาจารย์บอกให้อ่านคือธรรมจักกับวัตรลสูตรแล้วก็สติปัฏฐานนะคะก็คืออ่านแต่ยังไม่อาจจะไม่เข้าใจสติปัฏฐานทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตอนเนี้เรานั่งสมาธิพอเราออกจากสมาธิเราควรที่จะแบบนึกถึงไตรลักษณ์ปัญญาไหมหรือว่าอย่างหรือว่ายังทําคแค่สติกับสมาธิก่อ น, นะคะ่ะอสติก่อนถ้าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้วุเดขา ย, ยังไม่ได้ปาวนาสมาธิอ่าทุ่มไปที่สติก่อนแต่ก็อาจจะ คิถึงความแก่เจ็บใจของร่างกายได้บ้างแต่ต้อคอยสังเกตว่ามันจะคิดอยู่กับเรื่องนี้หรือว่าเดี๋ยวมันวัดไปคิดเรื่องอื่นบางทีมันเดี๋ยวพอเริ่มต้นที่ที่ธรรมะเดี๋ยทําไปทํามามันกลายเป็นทำเมาเลยมันไปคิดตกไปกังวลกับเรื่องนั้นคนนั้นคนนี้ขึ้นมานบางทีเราไม่มีสติเราเนี่ยคิดไป คิดไปคิดมาเอาไม่ใช่ธรรมะถ้าเราก็ค่ะแต่โดยสังเกตดูถ้าคิดทํำทำก็ได้ถ้าคิดอาการถาที่สองก็ได้หงผลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระโดดขไม่ไปได้ดินน้ําลงไปถ้าสิ่งได้ถ้าไม่ใช่นั่ก็พูดโทก็ได้สวดมนต์ก็ได้หรือเฝ้าดูร่างกายเคลื่อนไหวก็ได้กาลังทําอะไรก็ให้มีสติอยู่ก่อน การกระทาทของร่างกายไป อ, อย่าให้ไปคิดทางกิเลสความโลภอยากได้นุ่นอยากมี น, นี่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรพวกนี้อย่าไปอย่าไปคิดเราจกเอาเวลาว่างเรานั่งหลับตาถ้ายังดูลมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนออเราผัดเข้าสัตติประทานดูเลยไมได้เป็น ไมได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติยังไง mm hmm. ต้นให้ไปนั่งที่คนต้นไม้ mm hmm. มีสติอยู่กับลงหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้้ mm hmm. ขั้นต่อไปท่านก็อสอนพอได้สมาธิแล้วก็สอนให้พิจารณาร่างกายเ yes. mm hmm. นี่อนท่องอยูก็ได้นองท่องแล้ว mm hmm. ไม่ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติยังไง mm hmm. อยู่ในสติประธานเนี่ย สมขั้นตอนมีทั้งสติมีทังสมาธิมีทั้งปัญญาเขากลับเขคุ้มากครับปฏิบัติต่อแล้วเดี๋ยววันอังคารพ อ, ยววอรหยุดเดี๋ยวจะพาไปทั้งครอบครัวเลยค่ะไปวันหยุดวันอังคารใช่ค่ะใช่ะ แ, แล้วก็แล้วก็อันนี้อยากฝากบอกนิด น, นึงคือว่าเ facebook อ่ะเขาไม่อัพอ่ะค่ะคือตัวองที่เข้ามาได้เนี่ยเพราะว่า ไปไล่ดูแล้วก็กดอันเก่าอ่ะมันก็เลยหลุดเข้ามาได้คือมันไม่ได้มันซูมมันไม่ได้ลิงก์เฟซบุ๊กปัจจุบันนะคะอันนี้ไม่ช่องตอนนี้ลิงก์นะลิงก์นะเผื่อเป็นหัวเพื่อนๆเผื่อเขาจะได้เข้าครตอนเมื่อกี้ตอนต้นไม่ได้ลิงก์ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ลิงก์เข้าไปเมื่อกี้บอกให้คุณนั่นลงไปใส่ลิงก์แค่นันอยู่ได้ลงไปโพสข้อความไว้ว่าอลิงก์มีตั้งข้างบนข้างข้างล่างในในกล่องข้อความก็มี ในพวกที่เข้ามาที่หลังนี่เข้ามาได้ยังไงหรือพ่าเข้ามาตอนที่มีลิงกแล้วมั้งครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีลิงกนะฮะก็มีใช่ไหมเขาต้องเข้าจากลิงเก่าโอเคมาจากลิงเก่าอ๋อใช่ลิเก่าว่าใช่ใช่ทั้งจะหลายก็เียเลยเขากดมู้มูดูห้าจารย์คือแบบอยากฟังมากก็เลยเอาลองดูหาทางก็เลยกดลิง์เก่าลิงเก่าเเลยข้ามมันมีแค่ลิงอันเดียว z o o นี้มันมีลิงมันไม่เปลี่ยนอ๋อ อย่งนี้นเพียง ว, ว่ามันจะมีสวดก็ไม่สวดนั้นซถ้ามีรือก็ดเข้าไปถ้าต้องไม่มีมีสงก็ไม่มีก็ไได้แต่วามี่งก็เข้ามาได้เลยโอเค okay, นะมีอะไรไหมไม่มีค่ะเดี๋ยวไวะนัดคานไปอขอบคุณค่ะอะที่ท่านต่อไปคุณพิ่เชษคุณพ่เชษอนวมากรอนอนุได้อ ย, okay. อยู่ที่ไหน เสกเสียงของคนมีปหาหาัญหาครับอ่า อ, อยู่ที่พัทยานี่ครับอพัทยา น, นี่องยอยู่พัทยา น, นี่ครับนนพัทยาแย่นยหน่อยนะครับไม่มีคนมาเที่ยวเลยครับเป<า>็นไงมีอะไรไหมมีอะไรจะถามไหมอ๋อยังยังยังไม่มีครับอาจารย์อาจารย์ชวงนี้เพิงพ่งเพิ่งได้เริ่มปฏิบัติอะครับอ่าครับดีก็พยายามศึกษาไปแล้วก็ปฏิบัติก็คู่กันไปนะครับ สติเรื่องต้นที่สติครับ<ะ>แล้วก็สิงน่ะสังสิงห้าสิลแปดครับอ<ะ>ถ้าปฏิบัติเข้มข้นก็นกนสิงแปดถ้านยังไม่เข้มข้นก็นสิงห้าไปก่อนก็ได้สิงแปดนี้สําหรับผู้ที่เข้มข้นปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน<ะ>สิงแปดแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแค่วันละหนสองหนี่ก็สิงห้าไปก่อนจะได้คร่ะยินไปท่านต่อไปนะ ครับคกับคุณพิจัยคุณพิจัยมีอะไรไหมอ่ายังไม่มีอะไรครับขอฟังไปก่อนนะก็จะรย์ปฏิทินเรื่องปฏิบัติแราตื่นสึกว่าเวลาปฏิบัตินี่จะเหมือนกับว่าจะถูกจดดีกับการดูการเคลื่อนไหวมาตื่สึกไม่รูว่าได้หรือเปล่าครับได้กาเดินโยกงไปก่อนก็ได้ถ้ายังนั่งไม่ได้ก็เดินโยกงไปแล้วพอรู้สึกความพอที่นั่งก็ลองนั่งแล้วก็ดูลมต่อ ครับนะโอเคนะเดี๋ยวขอไปท่านต่อไปคนเอมไมโครโฟนคนเอไมโครโฟนอ่ น, นิ้วไมโครโฟนก่อนคนไมโครโฟนได้ยินหรือเปล่ามีฟอไโครโฟกดกดปุ่มอันนิ้วตรงกลางไหรู้สึกภาพลิงค้างอยู่หรือเปล่ารู้สึกภาพครัค้างภาพลค้างครั บ, รบนิ้วไปที่คุณจี้ก่อนนะชีอนน้อันนิ้วไมโครโฟนออกขยับได้แล้วพีมายนะ กกไดคุณจีกว่ากันแล้วแต่ได้ยินโยงไหมคะได้ยินยาา่าชดเจนเลย่ลสรใช่ไมเราไม่ชไมร็อกวิวค่ะอยู่ร็รอกวิวออี้อากาศเริ่มเย็นแล้วยังเย็นแล้วค่ะเย็นแล้วค่ะโยงกาลังคิดอยู่ตอ น, นประมาณ 10, 10สาิบสิบองศาสิบสิบสิบองศาสิบห้าองศาประมาณนี้ค่ะเย็นไปไหนนะใช่ค่ะใช่เซลล์เซล เป็นไ ฟ, ฟ, ฟนะห้าสิบมันต้องคอนเวอร์ตมันต้องสับ ก, กับไปก็่ลยนังคิดอยู่ว่าจะเอาต้นเอาบ้านดีหรื อ, อยังก็ <c oughs> <t od ans> ต้นมะกรูดอะค่ะทำไม่ะเพราะว่าถ้ามันเย็นมากแล้วเดี๋ยวมันจะตายค่ะคนที่เป็นทำสวนทำไว้ทบเอามาต้มยำมเลรพวกนี้ทำแกง เอาม า, าต้ม อ, อาหารใส่โค้กซิ้งอะค่ะประมาณนี้ค่ะฮะซื้อไม่ได้เรื่องมันแพงจริงมันเริ่มมีขายแล้วค่ะสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเหมือนกับเข า, อาบอกว่ามันเป็นพืชที่ต้องห้ามประมาณนี้ค่ะอแล้วก<ต>็วเขามาปลูกได้นะตอนนี้ก็เลยมาซื้อได้แล้วแต่มันแพงเหมือนกับแค่ถาดเล็ ก, ลกอๆอะค่ะเหมือนจิบกามมือเท่านี้ค่ะประมาณอ่ร้อยห้าสิบ ท่ า, า, หาไห้าเดือนค่ะ า, ามดอนประมาณสามดอนนะคะาดอนก็ประมาณร้<า>อย น, นึงใช่ค่ะก็ก็แพงเหมือนกันแต่ก็ก็อยากปลูกลองซื้อมาปลูกเลน่เลนๆคือยมไม่มีอะไรมากควันนี้ก็พยายามปฏิบัติอยู่แต่พอดีเดินเดินจงกรมยมก็พยายามเดินแต่พอเดินไปก็ได้แต่พุโทโธพุโทโธไม่ได้แบบไม่ได้แบบยกย่างอะไรแบบยังธั้ คืออย่าให้คิดอะไรก็แล้วกันอย่าคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะก็คือถ้ามันมันแวบออกไปโยมก็อุ้ยออกไปก็จะกลับมาที่โอเคพูดโทรใหม่แล้วก็โอเคซ้ายขวาซ้ายขวาพูดแล้วก็แบบมองที่เท้าตัวเองแล้วก็ค่อยค่อยเดินไปอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่าควบคุมอย่าปล่อยให้มันคิดคิดถ้ามันแจะคิดแต่เรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใช่ค่ะใช่ะว่าเดี๋ยวพอจากจากพระอาจารย์วันนี้จะว่าจะลองไปเดินก็คือ คือพอดีเครียดนิด น, นึงว่าพอดีลูกเพิ่งยอมกับสแ ย, ยกทางกันใช่ไหมคะก็ไปรับลูกมาเมื่อวานลูกก็บอกว่าแม่ค่ะหนูจะเชื่อใครดีระหว่างแม่พูดกับพ่อพูดพ่อพูดอย่างแม่พูดอย่างหนูก็เยอมก็เลยแบบไม่รู้ใจว่าเวล า, ายอยู่กับพ่อก็เชื่อฟังพ่อเวลาอยู่กับแม่ก็ฟังแม่เหมดเรือ่องพอเขาก็จะสร้างเรื่องให้เข้าข้างเหมือนกับความดีเข้าตัวเองความชั่วให้คนอื่นแต่ยอมก็ยอมไม่อยาก ไห้ลูกคิดว่าแบบแม่เป็นคนโกหกหรือเปล่าหรือไงคือเขาเริ่มบอกว่ายกแม่คะ่ะหนูไม่รู้จะไว้ใจใครดีแล้วระหว่างพ่อกับแม่คือมันก็สร้างอะไรให้มก็แบบเออทายังไงดีอะไรเงี้ยมาดูแหละ่ะทําทให้เขาไม่ไว้ใจเรานี่ยมองว่าเออลกนี้มันทุกข์เนาะมีลูกก็ทุกข์มีครอบครัวทุกข์ไม่มีลูกออไม่มีก็ทุกข์มันทุกข์ไปหมดคือไม่อยากจะแบบว่า อันตนรายนะไม่มีไม่มีแค่คิดว่าเป็นสุขั้งหมดมีครอบครัวก็เป็นสุ ข, ม, ม, ข, สขมีลูกก็เป็นสุขเห็นคนอื่ก็มีแล้วแม่จ๋าอยากจะมีเหมือนเขาใช่ค่ะไม่รู้ว่าเขาทุกข์ยังไงมองไม่เห็นใช่ใค่ะยมก็แค่แต่ตอนที่เขาสุขใช่เพื่อนบางคนบอกอยากมีลูกเหลือเกินยมก็บอกเออไม่มีลูกมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันมีมันก็ห่วงไปหมดห่วงจนแบบ เราเข้าถึงทำบางทีก็ยากเหมือนกันถ้าอยากจะปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเป็นทุกข์หมด อ, นะอันนี้จางทุกขังหน้าต า, าไม่เห็นเราไม่เห็นวานามิจฉาสุขขังหน้ตาไปหมดเ น, นะนี่ยเห็อนาาอหมมิจฉาสุขขังอัตาตาสุขจะอยู่กับเราไปนานๆหรือเป็นของเราไปนานๆพ อ, อไม่เป็นเนี่ยมันก็เลยทุกขึ้นมา ค่ะที่นิยมก็เลยต้องวางใจว่าโอเคเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดในฐานะคนเป็นแม่ละกันถ้าลูกจะลึกบิดเขาก็มีการเป็นของเขาเองก็เลยต้องแบบต้องพยายามคิดแบบเนี้ยค่ะไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่าแต่แบบถูกครับก็ทุกคนมีการเป็นขอ ง, ของตนเราก็ต้องพูดความจริงกับลูกอย่าไปโกหกลูกค่ะยมยมแม่ถือสิลห้านะพยายามอือ พิสบริสุทธิ์ที่สุดถ้าอยู่ที่วิ ว, วิจรณนัยน์ของลูกตอนนี้เขาแค่สิบขวบหนูโยงก็บอกว่าหนูสิบขวบหนูไม่มีประสบการณ์เท่ากับคนสี่บกว่าแบบแน่นะลูกเพราะฉะนั้นอ่ะการที่แม่จะอธิบายให้ลูกเข้าใจอ่ะจากประสบการณ์ของเด็กน้อยกับประสบการณ์ของผู้ใหญ่มันเข้าใจได้ไม่ตรงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าพ่อกับแม่รักลูกทั้งลูกทั้งคู่ละกันนะก็อยู่บ้านไหนก็ ก็ทําปฏิบัติตามกฎของบ้านนั้นอะไรแบบนี้ยค่ะยมก็พยายามสอนให้ให้ได้มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็คือวางเฉยไปก็พยายามปฏิบัติของตัวเองดีกว่าเพราะว่าก็<ม>หันมามมลง๋ ย, ไงงยวไ ม, ไ, มไม่สอน<ม>ให้เขาเกลพ่อเขาแล้วแบบไม่ดีไม่สอนว่าให้เขาคารวพ่อพ่อเหมือนกับรักคารวแม่พ่อแม่สองคนเหมือนกันเท่ากันใชถึงแม่พ่ อ, พ, อพ่อแม่จะดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรมันเรื่องของพ่อแม่ ค่ะดาเหยี่บลูกก็ต้องเคารพรักพ่อแม่ทุกคนเชื่อฟัพ่อแม่ทุกคนได้ได้ค่ะพาพ่อแม่ทุกคนรักลูกไม่มีที่จะได้บอกลูกเราไปอธิบายเขาไปค่ะทุกพระพาจามยมก็พยายามจะปฏิบัติค่ะถ้าคือก็เลยเอาข้อนี้มาเป็นทุกเหมือนเป็นข้อแบบพิจารณาเออทุกหนอมันทุกแล้วก็หายไม่มีลงกดตารักไปดีกว่าเดี๋ยวก็มันก็จะดีขึ้นไงค่ะโอเค ต่ที่ท่านต่อไปนะพระคุณค่ะคุณพรรุดา ม, มีอะไรจะพูดไหมคุณพ ร, รดาการนมัศการค่ะสตธุี่บค่ะกจ้าค่ะไม่ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ขอนัญาติากค่ะได้หนึ่งต่อไปที่ท่านต่อไปนะเจ้าค่ะพัธมารักเ์พัฒมารักษ์เชิญนนอนุญาตระอาจารย์ เอเกี่ยวกับการนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์คือเราไม่ทราบว่าตอนเนี้ยมันมีความก้าวหน้าอะไรแค่ไหนอล้ค่ะคืออย่างเพื่อนที่นั่งกันเขาก็จะมีติ๊กตีจะมีแบบเห็นแสงอะไรค่ะแต่ของเราเนี่ยก็คือมันจะสงบอย่างเดียวเลยอคะค่ะพระอาจารย์ไม่มเคยก็ก้าวหน้าเหมือนกันเห็นแสงก็ก้าวหน้านมันมันพวกเห็นแสงพวก มีปิตินี่มาทีไม่ต้องไม่ไม่มีก็ได้ถ้ามันสงบเป้าหมายที่แท้จริงคือความสงบนะครับมีความสมบูรณ์ก็ใช้ได้แล้วเมื่อไหร่เราไม่มีนี่มีอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจแล้วเมื่อไหร่เราควรจัดพิจารณาคะพระอาจารย์ก็เวลาที่เราไม่ได้นั่งเวลาที่เราไม่ได้นั่งตอนนี้พิจารณาได้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายดินั้ำลมไปอาการสามจุดสอง พิจารณาได้แต่การนั่งสมาธิไม่ให้พิจารณานั่สมาธิต้องการให้มันหยุดให้มันนิ่งค่ะครับแล้วพิจารณากับเจริญสติเนี่ยคือคือคนละอันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเจริญสติก็คือรู้ตัวอย่างเดียวไม่ต้องคิดก็ไม่ให้คิดถ้าเจริญสติก็ไม่คิดค่ะบางทีถ้ามันคิดก็ต้องใช้ถ้ามันยังคิดอยู่ก็อจะต้องใช้พุทโธช่วยไม่ให้มันคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องพุทโธพุทโธไป หรือถ้ามาการสาหัสองใบก็ได้มันก็จะไปคิดเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้อันนี้คาตอบ้แล้วจะต่อไปไปที่คุณอ้อมนะคุณอ้อมคุณอ้อมอันิูไมครโฟนหน่อยได้เจ้าคาอยู่อยู่ใกล้พี่จีบอะค่าอยู่ที่ไหนเรื่อะไรเงินเงนเน่ยเจ้าคา ใแนะนำมาพีจี้นะนำเเจ้าค่ะคุณสลินทรางก็อยู่ในนี้วันไม่เข้ามาู้จกนั้นด้จกสลินทรังด้วยะอือใช่พี่คุยหรือเปล่าคะไม่ใไม่แ่ใจไม่แน่ไม่แจไม่ใไม่แน่ใจไม่แน่จไมนจไมแน่ใไม่แน่ใจไ่จไม่แนจไมจไมมมมจจ่ ยงก็ยังมีอาการเจ็บจี๊ดที่หัวเจ้าค่ะแล้วก็บางค่ะตาไหนตาที่นั่งสมาธิอไหนที่ัตลอดทั้งวันมันตลอดทั้งวันนะเจ้าค่ะก็เลยไม่รู้มาจากอะไรไปหาไปหามอแล้วเจ้าค่ะแล้วคุณหมอก็ไปตรวจ CT MRI ก็ไม่เจออะไรเจ้าค่ะอาจจะเป็นความเครียดก็ได้น้องิตเราเครียด ก็โยมก็คิดเช่นนั้นเจ้าค่ะโยมก็เลยเอา่ามันแต่มันจะเจ็บจี๊ดจี๊ตอนตอนก่อนจะนอนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยแล้วมันก็ไหลลงมาตรงเนี้ยใช่พู้โทพูดโทไปอย่าไปสนใจมันก่อมันเจ็บไปใช่ค่ะโยมก็เลยที่แรกที่แรกโยมก็พเอ่อโยมทําพุดโธพุทโธเวลาพุดโธมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเจ็บๆๆ อย่าไปอยากให้เวลาพุโทโธอย่ก็อยากให้มันหาย<ช>ตัวแล้วมันจะหายไม่หายเรื่องของมันไม่ต้องสนใจยิ่งอยากมันยมันมีเป็นใหญ่ใช่เจ้าค่ะโยมก็เลยลองลองเปลี่ยนฐานนะพระอาจารย์ก็เลยมาจดเอามาที่พยายามพุโทโธเปลี่ยนฐานที่มาตรงที่หน้าอกอ่ะค่ะพระอาจารย์ถ้าใช้พุโทโธ่ไม่ต้องมีฐานอะ่ะ ท้องพุทโธ่พุทโธ่ใหเป็นฐานของมันอยู่แล้วไม่เจ้าค่ะพอโยมท่องพุทโธอยู่ในใจเนยมันรู้สึกเจ็บเจ็บค่ะพี่อาจารย์ไม่รู้เป็นไรปปไก่อนันเจ็บไปแเราพูดโธไปอ๋อมันเจ็บมันมันเจ็บตั้งแต่เรื่องต้นอยู่แล้วมั้ยครัก่อนที่เราพูดโธแล้วใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอนี่าก็่อมันเจ็บไปแล้วก็พูดโธเราไปเอ่ อย่างน้อยมันไม่หายเจ็บแต่ใจเราไม่ไม่วุ่นวายไปกับมันใจเราก็จะอยู่ได้ถ้าใจเราสงบถึงแม้ความเจ็บจะไม่หายแต่ใจเราจะไม่วุ่นวายในเวลาพุโทโธพุโทโธที่อย่าไปสนใจกับความเจ็บฝ่ามันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บให้อยู่ขอให้ขออยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวใจเราจะสงบแล้วความเจ็บจะไม่มารบกวนใจ ใช่เจ้าคายโยมก็เลยคิดแบบนี้ว่าโอ๋เนอเกิดมานี้มันเจ็บจริงๆมันมันคล้ายๆกับว่ามันทรมานการการเกิดมันเจ็บมันปวดมันทรมานแต่ก่อนโยมก่อนแต่ก่อนโยมนั่งสมาธินะคะนั่งนานๆโยมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะพอโยมมาเอ้ความทุกข์เป็นยังไงในช่วงนั้นไม่รู้จักทุก ขอโทษค่ะมันมีทุกข์แต่มันไม่ได้ทุกข์มากโยมก็เอ๊ะทุกข์ทุเป็นยังไงโอ้โหมามาเจอความทุกข์อันนี้มันแจ่มแจ้งมากเลยพระอาจารย์โยมก็เลยคิดว่าโอ้การเกิดการแก่การเจ็บนี้มันมันช่างทรมานเลยค่ะพระอาจารย์มันก็พยายามคิดแค่ตรงนี้เพราะคิดตรงนี้มันก็รู้สึกว่าบรรเทาความความเจ็บได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ดี ไม่รู้ว่าโยมไม่รู้ว่าไอ้ไม่รู้ว่าการเจ็บปวดสิ่งนี้มันมาทําให้โยมมารู้จักความทุกข์จริงๆใช่ไหมคะอาจารย์มันมันมันต้องเป็นทุกข์ปัญญาถึงจะเกิดทุกข์บอกมีปัญญาบอเกิดเวลาเราอ่านเรื่องทุกข์นั้นมันจะไม่มันยังไม่ได้เป็นของจริงต้องใช่ครับอาจารย์มันมันมันเหมือนกับว่าคิดจินตนาการเรื่องของความทุกข์ จินตนาการเออความทุกข์เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยพระอาจารย์ณตอนนั้นที่โยมอ่านอ่านอ่านหนังสือค่ะศึกษาโอ้ความทุกข์ความทุกข์โอ้มันเป็นความทุกข์เนอแต่มันไม่ได้เจอกับความจริงไม่ไม่เจอไปอ่านชื่อมันไม่ได้เจอเจอตัวมันแค่นี้อันนี้เจอตัวมันเลยค่ะอาจารย์อ่านั่นแหละดีต้องจะได้หาวิธีสู้กับมันเไงเขาใช้โต้โตอ แล้วก็อยากไปอยากให้มันหายยิ่งอยากวันนี้ทุกข์ใหญ่บ่อมัมอนคืนอมันเป็นอนาาัตตามันเป็นธรรมชาติเนเหมือนเป็นเหมือนบินฟ้ากับเนี่ยสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้ผลหยุดสั่ให้ผลตกไม่ได้สั่งให้ความเจ็บเนี่ยหายไปไม่ได้ต้องหัดทาใจอยู่กับมันไปทําใจให้เป็นอุตตรขาแล้วก็จะอยู่กับมันได้พุโทโธพุโธไป แต่ไม่ได้พูดถวายให้มันหายนะพูดถวายให<จ>้ใจเราเป็นอุตตรขาพูดถวายให้ใจเราเนี่ยเป็นการพราใจของเราจะได้ไม่ไปวุ่นวายไปกับความเจ็บของร่างกายอาจารย์เจ้าขาโ ย, ยมขอถามคําถามหนึ่งค่ะเวลาเราทําทานนะคะพระอาจารย์เวลาเราทําทานทานทุกทานนี่คือโยมส่วนมากก็โอนเงินนะคะโอนเงินผ่านทางธนาคาร โยมจะถามว่าการที่เราโอนเงินผ่านทางธนาคารแล้วเราก็เงินส่วนหนึ่งเป็นเงินของแฟนด้วยอันนี้เขาได้บุญด้วยใช่ไหมเจ้าคะเขาต้องรู้ด้วยเขาต้องมาเขาต้องอนุญาตด้วยใช่ใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะทุกครั้งเราทําบุญก็ต้องบอกเขาว่าพี่วันนี้ทําบุญไปแสนหนึ่งเนี่ยทุกท่านคือหวังว่ามีเงินเช่นนั้นทําบุญเจ้าค่ะ แล้วด้าดุสีหน้าเขาว่างไงท้านก็เออดีไว้ทำไปเขาก็าได้บุญด้วยแต่ท่ า, านก็หน้าซีดมือไอหาคุงทําไม่ได้ไงมีเ้าก็ยังไม่ได้บุญนะคําถามโยมก็คือโยมก็บอกเอออายจะทําบุญนะอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่แต่โยมบอกบอกแค่ครั้งเดียวบอกแค่ครั้งเดียวแต่คือโยมทำเรื่อยๆนะเจ้าค่ะแต่เงินส่วนหนึ่งก็คือเงินของเขาก็คือโยมอยากให้เขาได้บุญด้วยในเจ้าค่ะ คำถามคือบ อ, บอกเขาทุกครั้งเป็นดีกว่าเขาจะได้รู้ว่าได้ทำบุญอ๋อเจ้าค่ะไม่โยมคิดเหมือนพระอาจารย์ตรงที่บอกเฮ้ยทำบุญแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาถ้าเขาเห็นแค่เงินในบัญชีก็คงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ก็คื อ, ค, อควรจะบอกเขาทุกครั้งหรอครับพระอาจารย์ไี่ยไม่บอกว่ากลัวเขาจะไม่พอใจใช่ไหมนี่ก็ไม่ใช่เจตนาเราต้องการปกปิดไม่ใช่ปกปิดเจ้าค่ะก็คืออย่าให้เขาได้บุญ อยากให้เขาบอยากให้เข า, าได้บุญกต็ต้องเหบาะเขาสิเขาต้องเขาต้องยินดีเขาต้องพอใจเขาต้องยินดีที่จะ่ทาทําไปบังคับเขาทานี่เขาเขาไม่ได้บุญแล้วแหละเขาถูกบังคับจริงจริงโยมก็ไม่ได้บังคับในเจ้าขาโยมแค่ทำบุญนะเขาก็โอเคคล้ายๆกับว่าเขาก็โอเคแต่ไม่แบบว่าเออดีแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่เหมือะโยมก็พยายามเพราะว่าเขาเป็นคนคน นิ่งคนคนเงียบนะเจ้าค่ะยมก็อ่านใจเขาไม่ออกเลยเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ขัดขืนเขาไม่ห้ามเราอยากทาก็ทําไปนะเขาใช่ไหมเจ้าค่ะเขอาจจะไม่ยินดีร้อยเอร์เซนต์แอย่างไรเขาก็ไม่ขวางก็ทําไปทําได้ใช่เจ้าค่ะแต่คนจะบอกเขาก่อนวันนี้จะไปทําบุญนะพี่วันนี้จะอนเินแล้วดูคามดีเจ้าต่อยไปเขาจะว่ายังไงมันเป็นของเขาอยู่เลยยงยงยมทําก่อนแล้วยมค่อยบอกค่ะเจ้าค่ะ อันนี้มันยมมันตกกระไพคอโจนเนี่ยเขถึงมือถึงมือไม่โยมก็ย้ายเขาได้บุญนะคะพระอาจารย์เพราะเขาเป็นบุญไม่ได้หรอกบามอยางของเรานี่มันไปทําให้คนอื่นเขาไปบังคับเขาไม่ได้นะอกบางอย่างไปบังคับให้เขาทําบุญบอกเขาได้แล้วดูดูว่าเขาจะพูดยังไงถ้าบอกวันนี้อย่าทํำเงี้ยหนูก็ทําของหนูครึ่งหนึ่งก็แล้วกันบอกอ่ะในท่านทําส่วนของทัานก็แล้วของคุณก็เก็บไว้ก่อนเจ้าค่ะ ขอบคุณพระค่ะพระอาจารย์ยมหมดแล้วค่ะห <Okay, S 2> อดคำถามแล้วค่ะอยู่อยู่มานานแล้วยังอยู่ที่มาลีแลนนานมั้ยอ๋ออยู่ที่มาลีแลนก็เป็น10ก็คือกี่ปีปยอมก็จะไม่ไประมาณ10เท่าไงอืมส mm ิบเซนนั่นเลยเป็ น, นยูเอสนั่นเหรอเออยม์ยมเอาแค่ใบเขียวในเจ้าค่ะมยมไม่เอาส<อ>ิบเซนยมอยากเป็นยมเป็นคนไทยอยู่ ก็เป็นได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่เขาไม่เขไม่บังคับให้เราสละไทยใช่เจ้าค่ะได้ยินพี่ๆเขาก็พูดเช่นนั้นเจ้าค่ะแต่โยมก็ยังคนไทยซื้อสองพ่นสปาร์ตได้ใช่เจ้าค่ะโยมก็สองจิตสองใจเหมือนกันเจ้าค่ะว่าโยมจะทํานี้ไม้แต่โยมก็อยู่อย่างนี้โยมก็มีความสุขดีในเะจ้าค่ะโอเคมีกามีคําสุขก็โอเคไม่เป็นไรล่ะสมมุติอยู่นี่นะ ใช้เจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะท่า น, นี้ก่อนนะแล้วนนแล้วเข้ามาถามใหม่เจ้าค่ะคุณวิชามีอะไรจะพูดนะคุณวิชาจากนครปฐมก็ไม่มีอะไรครับวันนี้เข้ามาฟังครับก็ไปปฏิบัติธรรมใช้วัดป่าทำสมาธีมาแล้วครับเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมใกล้ใกล้กลขึ้นไปทุกวันแล้วนะก็ตเตรียมใจนะครับไม่เปลนเดี๋ยววันที่16ถึง20ก็ไป ไปช่วยงานตอนงานกระถิ่แล้วก็หลังงานกระถิ่นด้วยครับแล้วภาวนาด้วยเอ อ, นะอเลยงะช่วยไปถอยนะครับผมโอเคขึ้นไปไปที่ท่านต่อไปคุณสุพัฒนาอยากบอเินการนมัสการพระาาอาจารย์เจ้าค่ะอวันนี้มาขออนุ ญ, ญาตฟังธรรมค่ะรอพระอาจารย์ตั้งแต่ทุ่งกว่าวอา <c oughs> อสองทุ่คิดว่าพระอาจารย์ไม่เข้าแล้วค่ะวันนี้มิวภาษาตอนต้นเข้าไม่ได้ เจ้าค่ะ uh huh. แลวพ อ, uh huh. พ, อพอกดเข้ามา y o u t u ู e เข้าไม่เป็นพอดีน uh huh. โนต้ตหาคุณบอยคุณบอยเปิดให้ขอบคุณคุณบอยนะคะโ uh huh. อเค uh huh. ก็หลังจากที่ที่ฟังทำพระอาจารย์ครั้งที่แล้วที่ที่จะพยายามปฏิบัติเจ้าค่ะ uh huh. ฟัง uh huh. เทป พ, พระอาจารย์มาอยู่ uh huh. สามสี่ครั้งรู้สึกว่าจะมีมีที่พระอาจารย์จะสอนเรื่องสติสติตลอดเลยค่ะวันนี้ uh huh. เทปวันนี้ก็ รู้สึกว่าจะเริ่มตั้งแต่สติใหม่ๆจนจนพยายามให้ให้มีสติทั้งวันให้มีแต่สติให้ก็พยายามจะปฏิบัติตรงนี้ค่ะตอนนี้นจะปฏิบัติเรื่องสติให้มากค่ะใช่ท่านที่หนึ่งต้องสติก่อนเนื่องจากท่านที่หนึ่งต้องก่อไข่ก่อไข่มาแล้าค่ ะ, ะ, คะเพราะว่าเรื่องรักษาสีนี้ก็พยายามมาได้ระยะหนึ่งแล้วหลายปีแล้วค่ะก็อตอนนี้ก็มามาเรื่องสติ ได้ฟังทำพระอาจารย์มากๆก็เข้าใจเรื่องขั้นกับขั้นตอนปฏิบัติมากขึ้นเจ้าค่ะโอเคต้องฟังบ่อยๆบ่อยแล้วยี่งฟังยิ่งจะเข้าใจมากขึ้นไปเรื่อยๆเจค่ะอืมเขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยเจ้าค่ะค่ะขออนุญาตฟังธรรมนะเจ้าค่ะโอเคไปที่คุณเอกคุณเอกจะเชียงใหม่ในเชียงรายเชียงรายเนี่ยในตำนานถิ่นกลับแมรสการพระอาจารย์ครับผมอืาจากเชียงรายย้ายไุนเอกครับผมจากเชียงรายครับผม มีอะไรไหมวันนี้เอ่อวันนี้วันนี้ไม่มีครับอาจารย์วันนี้เข้ามาฟังครับก็ยังอยู่ในปฏิบัติอยู่ครับปฏิบัติเอ่อเป็นปกติอะครับตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนทุกวันนะครับอย่าทิ้งการทำไปเลยถ้ามันเป็นนิสัยแล้วมันจะง่ายครับผมถ้าหยุดไปแล้วเรากลับมาทําใหม่มันจะยากครับผมก็ทําทุกวันนะฮะตื่นตีสี่ก็ เดี <and> ๋ยน <you> <and out> <Netflix> ี <put> up, ้มาเดินจมกลมก่อนแล้วก็มานั่งนะครับแล้วก็ก่อนนอนก็อาเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแต่พระอาจารย์ครับมันจะมีผมสังเกตช่วงช่วงเช้าตอนนั่งสมาธิมันไม่ค่อยนิ่งนะครพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนิ่งไม่นิ่งก็อยู่ที่สติของเราเนี่แหละโอครับสติเราดีมันก็นิ่งสติไม่ดีมันก็ไม่นิ่งครับผมสติเป็นเหตุสมาธิเป็นเป็นผล อ๋อทาเหตุให้ให้ดีก่อนนะฮะถ้าเหตุดีแล้วคนนันก็ตามมาครับอ๋อครับผมอือ<ม>เดี๋ยวเร บ, บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบองทีก็เผลอเยอะบางทีก็เผลอน้อยมันยังติดใ น, นข้นลมรู้คุกคานอืมมั น, นมันลมรูคุกคานบางที่นา<อ>จะ<อ>ายปยพยายามมันบางครั้งให้มันฝึกสติไปเรื่อยๆให้มีสบ่อยๆมากๆ อืมทำอะไรครับผม่รู้ว่ากําลังทําอะไรครับผมอยู่ก่อนแกับตัวอืมโอเคครับพระอาจารย์มีอะไรสั่งสอนเพิ่มเติมอีกไหมครับพระอาจารย์ในระหว่างที่ปฏิบัติต่อไปพยายามตักระแให้มากครับผมเป็นขั้นที่หนึ่งถ้าไม่ได้ขั้นที่หนึ่งไปขั้นอื่นไม่ได้ไปก็ไปแบบนมลูกคุกคาครับผม มันฝึกสติไปให้มันต่อเนื่องก่อนครับผมก็จะเริ่ตาขึ้นมาเลยบริเวณตาขึ้นมาก็ตั้งสติเลยครับผมครับผมสาธุครับกับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมสาธุครับอาจารย์นะมีมีคนยกมือนะฮะ IPDGP คือตอนนี้ไล่ไปตามตามลํำดับก่อนได้ไหมโอเคครับครับผมครับผม เข้ามาที่หลังคุณคุณ M I I P D G อะรเนี่ยคราชื่อ M I Phone M I phone. phone ฮะ M I Phone กดป <MI S 2> <MI W S 1> ุ่มมิวได้เลยฮะได้ยินไหมรู้สึกภาพจะจะจะนิ่ฮะอ่าขยับแล้วโ <Okay. S 1> อเคอยู่ที่ไหนคุณ M I Phone อ่าคุณไหมพูดเสีงแรงนหน่อยถึงไหนครับได้ยินไหมครับ อยู่เชียงใหม่ครับเพิ่งเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับอาจารย์ครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับขอขอฟังก่อนครับอาจารย์กลับน้มันสการ์อาจารย์ครับอปกติจะดูอยู่อยู่อยู่คลิปของพอาจารย์ที่ยูทูบประจําครับแล้วก็นําไปปฏิบัติแต่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเข้ามาฟังกับขอขอฟังก่อนครับได้ครับนะสาธุ คุณเกเทรินากรนีารนัดหมายการค้าพระอาจารย์เอ็นเจลไม่มาเอ็เจลใช่ไหมเนาะใช่ใช่เจ้าค่ะช่วงนี้จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ถ้าออกต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะว่าเขาจิกบ้านรอบบ้านเอ่อให้เขาอยู่ในกรงค่ะก็คือว่าถ้าออกมาแล้วกต้องอยู่ด้วยกันโยมมีคําถามเจ้าค่ะ เวลาเราภาวนาเนี่ยทําไมเราถึงไม่หลับไม่ยอมนอนหลับก็คือช่วงช่วงกลางคืนมันเป็นเวลาที่สมควรที่ว่าที่หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วอ่ะก็คือเราก็ต้องนอนพักผ่อนใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่าจิตมันไม่ยอมนอนมันก็ทําการภาวนาอยู่นั่นแล้วแล้วโยมก็พยายามบังคับที่ว่าจะนอนแต่จิตมันก็ยังทําทํางานอยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะไม่บังครับมันเลยก็มันจะภาวนาก็ปล่อยมันภาวนาต่อไปดเหมนไฟเหมน มันเชื่อมันได้ไฟแล้วจะไปดับมันทําไมเขาคนเขาอยากจะภาวนามากๆอยู่แล้ว เ, เดี๋ยวภาวนาไปสักพักเดี๋ยวมันก็อยากจะนอนเลยไงถ้ามันยจงไม่อยากนก็ภาวนาต่อไปเออเจ้าค่ะแต่ว่าช่วงภาวนาไปก็ได้นอนนอนภาวนาไปก็ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวพอมันล่วงมันก็หลับกันเลยเจ้าค่ะปยาไปอยากให้มันหลับถ้ามันยังไม่อยากถ้ามันยังไม่หลับปยาาไปเลคลิมัน ไม่มีสติรููดูลมไปหายใจเข้าหายใจออกไปเดี๋ยวมันก็หลับเองเจ้าค่ะเดมัหลับยิ่งอยางวันนี้ไม่หลับเจ้าค่ะแล้วเวลาพอพอเวลานอนปุ๊บเนี่ยมันนอนไม่ได้ถึงตลอดข้ามคืนนะเจ้าคะ่ะมันนอนประมาณแค่สองชั่วโมงแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกก็คือเขาไม่ยอมหลับเขาก็จะภาวนาอยู่นั่น โยมก็เลยลุกขึ้นมานั่งสมาธิแทนทำตามทำตามทำางเขาไปไม่ต้องไปบังคับเขาแล้วก็ไม่หลับก็ไม่หลับเจ้าค่ะเดี๋ยถึงเวลาบางทีก็หลับยาวไปเลยพราะมันรั่งกายเพียมากๆเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะหลับกูเองเอเจ้าค่ะไม่ได้จะน่ว่าการยิ่จังนะมันไม่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรื่องหลับนอนมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปบางทีก็หลับสั้นบางทีก็หลับยาวเจ้าค่ะ ถ้ามันไม่หลับก็ถือว่าโชคดีเพราะผนภาวนานี่ยเขาไม่อยากจะหลับกันโอเคจเจ้ค่ะเขาจะได้ภาวนาเยอะเจ้าค่ะถ้ามันไม่หลับก็นั่งรถกมานั่งไม่นอนภาวนาไปก็ได้ถ้าอยากจะหลับก็ภาวนาแต่ตอนนี้ช่วงนี้จิตจิตเขาจะภาวนาเองก็ประมาณที่ว่าถ้าเรามีเรื่องที่คิดก็คือว่าเขาก็จะหยุดแต่พอเราไม่คิดอะไรเนี่ยเขาก็ภาวนาของเขาเองนะเจ้าค่ะ ช่ายทำไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะต้องถือว่าช่วงนีม้มีบุญที่ไม่นะอนมาก็จะเจ้าสอนให้พให้ถือสามิริยาบทมาให้หนอะนเดินยืนกันนั่งนะเอาธรรมะสิกว่านอนหลับไม่ได้ไนอนหลับก็ไปเหมือนหมูนะนะเจ้าค่ะโยมก็เลยนั่งสมาธิไปพอพอง่วงโยมก็ลงไปนอนอ เดี๋ยวไปที่คุณไอพีดีก่อนห ม, ห, มอนะหมดแล้วยังมีอะไรหมหมดแล้วเจ้าค่ะไม่มีอะไรแล้วเจ้าจค่ะสาธุเจ้าค่ะเดี๋ยวมายนรเดี๋ยวนให้ไปที่คุณไอพีดีก่อนคนะคุณไอพีอ่นนิ้ไมโครโฟนไดยินหรือเปล่าคุณไอพีดี GPR หนึ่งสองห้ากิที่ยกมือนะฮะค่ะโอเคได้ยินไหมคะอาอยู่ที่ไหนเจ นามส ก, การค่ะธรรมอาจญาโยมจากเยอรมันค่ะ uh huh. อยู่เดรสเดนค่ะเคย uh huh. ติดต่อกับพระอาจารย์มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแล้วพระอาจารย์ก็แนะนําให้อ uh, ดูลมหายใจตลอดเวลานะคะช่วงเวลาที่โยมภาวนาค่ะแล้วยม uh huh. ก็หายไปจากการตั้งคําถามประมาณสามอาทิตย์เพราะว่าใช้อ่า uh, คําแนะนําจากท่านพระอาจารย์มาทําก็คือดูลมหายใจตลอดเวลา uh huh. โยมสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยมก็คืออ่ามันมันมีเหมือนอรู้อะไรสักอย่างที่ตรงปลายจมูกอะคะ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนโพงที่ยืดหยุ่นได้อะคะ่ะท่านอาจารย์ยืดหยุ่นได้แล้วมันถ้าเราแบบตั้งใจภาวนามากๆอยู่กับคำบริกรรมหรือว่าอยู่กับอ่าลมหายใจตลอดโพงตรงนี้นะคะจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสว่า ง, งแล้วก็เบา อย่าไปสนใจดูลมดูลมใบมันใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็เรื่องของมันค่ะเกิดเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วยมเหมือนกับเหตุการณ์ที่เจอก็คือเหมือนกับคุณพี่ก่อนหน้านี้ค่ะที่นอตคาโรเคนาก็คือยมนอนไม่ได้เลยตอนกลางคืนหลับตาปุ๊บก็สว่างค่ะสว่างแล้วเหมือนมันบังคับให้ภาวนาต่อดเวลายมก็เลยภาวนาต่อค่ะดูลมหายใจดูลมหายใจไปเรื่อยๆ จนบางคืนนะคะรู้สึกว่ารู้สุดตัวเลยว่าสติขาดหรือว่าหลับไปตอนไหนอย่างเนี้ยคะ่ะรู้รู้ค่ะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ที่เกิดขึ้นมาที่โยมไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือว่ามันไม่จริงก็คือโยมจะทําอิริยาบถนอนความรู้สึกว่าทําได้ดีเพราะว่าเริ่มแรกคือโยมทําสมาธิเนี่ยเริ่มจากอิริยาบถนอนตอนป่วยหนักอะคะ่ะก็เลยแบบติด ทำตอนนอนรู้สึกว่าจะทําได้ดีก็ทําได้นานก็เลยทําแล้วพอยมดูลมหายใจไปเรื่อยๆะคะ่ะยมจะเห็นไอกระแสแสงสว่างมันหดมาเหลือแค่นนิ้วก้อยะคะ่ะท่านอาจารย์มาอยู่ตรงปลายจมูกอะคะ่ะเป็นดวงขาวๆเท่านี้นะคะ่ะอยู่ตรงปลายจมกูกไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงไหมนะคะแล้วอยู่ๆมันก็มีเสียงแบบฟู่เหมือนเราเปิดแก๊สนะคะท่านอ<ม>าจารย์แล้วมันก็เป็นเสียงบุ๊มแบบ แล้วก็สงบใช่ไหมนะอย่ากนั้นจิตมันนี่เองใช่ค่ะมันเป็นได้ว่าอาการของจิตจิตเวลามันจะสงบมันบางทีมันต้องออกฤทธิ์เดชเล็กน่อยก่อนก็ตกลงมันของจริงหรือต่อคะที่โยมได้ยินนะคะมันจริงแต่มันก็ไม่มันก็ไม่ได้เป็นมันไม่เที่ยงอ่ะมันถึงแม้มันจะจริงมันก็ไม่เที่ยงครั้งต่อไปอาจจะไม่มีก็ได้มีก็ได้คนี่อย่าไปยืดไปติดมันให้รู้เฉพาะเฉพาะการเพรามันเป็นอย่างนี้ คาวหน้าก็ลืมมันไปคราวหน้าก็ดูรวมต่อไปใหมอย่ากไปบอกให้เ hey, มื่อไหรจะเป็นอย่างคราวที่แล้ว ม, มันก็จะไม่ไม่เป็นถ้ามันยังทํำให้จิตคุ้มต้าขึ้นมาแทนค่ะแล้วมีอีกครั้งหนึ่งที่โยมเห็นแบบที่มันหดเหลือเป็นดวงเทอดปลายนิ้วก้อยแล้วอยู่ตรงตรงจมูกเนี่ยนะคะแล้โยมก็มองเข้าไปตรงตรงแสงนั้นนะคะแล้ว มันเหมือนถูกดูดเข้าไปในในตรงนั้นนะคะแล้วมันเห็นภาพสมองตัวเองอะค่ะท่านพระอาจารย์แต่ว่ารู้สึกว่าสักพักหนึ่งแรงมันหมดเอาเฉยๆอะค่ะแล้วมันก็หายไปเลยอะค่ะแล้วมันก็ทําให้รู้เฉยๆก็แล้วกันมันจะเปแรงก็รู้เฉยๆไปแต่ว่าเรากลับกลับมาที่ปลายจมูกดีกว่าอย่าไปตามมันอย่าไปตามรู้มันดีกว่ะค่ะ โยมไม่ได้ตั้งใจจะตามค่ะท่านพระอาจารย์คือเหมือนกับมันเห็นครั้งแรกเรามองแล้วมันก็เหมือนถูกดูดเข้าไปในนั้นเลยอะค่ะพอรู้แล้วก็รีบกลับมาที่ที่ปลายจมูกดูลมต่อนะจะตามไปเดียวมันก็ม่รู้พาเราไปไหนเราไม่ต้องทําอะไรนอกจากรู้ลมเรื่อยๆแล้วมันจะพัฒนาไปของมันเองใช่ไหมคะเป้าหมายของเราเราต้องการให้ใจว่างให้ใจสงบ ไม่มีไม่ให้รู้อะไรถ้ารู้ก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ให้มันผ่านไปแล้วค่ะโยมมีความรู้สึกนะคะท่านอาจารย์บางครั้งนะคะ่ะเหมือนกับแบบเหมือนลมไม่มีแล้วอะคะ่ะจะหายใจยังไงก็ไม่มีลมแล้วเหมือนไปลอยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สักที่นึงอ ะ, ค, ะค่ะก็รู้เฉยๆไปความว่างไป ถ้ามันอยากจะกลับมาหาลมก็เป็นเรื่องของมันใช่ไหมคะเราก็หายใจตามลมอถ้ามันไม่มีลมหายใจให้อยู่ก็ไม่ต้องดูค่ะดูความว่างไปอย่าไปพยายามบังคับให้หายใจแรงๆเพื่อจะได้มีลมให้อยู่ไม่ต้องไม่ต้องบังคับเรื่องลมหายใจมันหายก็ให้รู้ว่ามันหายไปค่ะยมมีความรู้สึกว่ายมันจะพุบลงไปเหมือนเมื่อก่อนพอไม่มีแลมวลมอะไรด่แล้วเราดูความว่างไปในสักพักมันก็อาจจะพุบเข้าไปแล้วก็ิ่ง มันขาหายใจมันขาดลมหายใจโยมมีความรู้สึกว่าถ้าลมหายใจมันหมดลงไปแล้วอะค่ะสภาพชี้มันอยู่ตรงหน้ามันจะละเอียดกว่าลมอะค่ะท่านภา้จารถ้าเรากลับไปหาลมแล้วมันจะหยาบขึ้นมาทันทีเลยอะค่ะนั่ก็ดูสภาพนั้นให้ดูเฉยๆก็แล้วกันค่ะดูแลอย่าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงก็แล้วกันดูเฉยๆก็ได้มันก็ดูนดูดูเสียงนัแทนดูลมก็ได้ ก็สําคัญเราอย่าไปปูแต่งอย่าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงก็แล้วกันให้ศักด์แตรู้ไปกลัวทำไม่กลัวคะ่ะแต่ว่าความรู้สึกแบบโลภอยากเห็นอีกอมีคะ่ะเราไม่ได้ให้มันเฉยๆไปรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันนิจจังกเกิดนอตดับหน้าตาไปสั่งมันไม่ได้คพยายามแล้วมันจะทุกข์ย่อมไม่มา ก็ให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเออทำไปเรื่อยๆก็สำคัญเราเป้าหมายคือให้มันสงบให้มันนิ่งเนี่ยให้มันมีความสุขค่ะจะปล่อยขาดกลบขอบพระคุณค่ะท่านต่อไปคือคุณหมอแอนไอนเชิญคูได้เลยคุณหมอกลับหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้หนูหนู นั่งทีไรก็หลับเร็วมากเจ้าค่ะตามตาม <คน S 2> ตามไม่ได้ไม่หลับสติตสตน้อยอก็เลยใช้วิธีเดินเอาเดินชั่วโมงสองชั่วโมงก็เดินอยู่นั่นแหละเจ้าค่ ะ, ะแต่ว่าวมีแววที่มีแววที่จะลวกยากเจ้าค่ะเพราะว่าต้องเดินก่อนแล้วค่อยมานั่งเจ้าค่ ะ, อ, ะอยายามสนใจเรื่องผลพยายามปิบัตเหตสติเ่องสติไปก่อน ขนาดสวดมนต์สวดมนต์เสียงดังแล้วเจ้าค่ะก็ยังหลับไปเลยไม่รู้นนี้ก็เปนตัทํางานมาตัดมาแต่ว่ามันไม่สั้นร่างการมันเหนื่อยมันอยากจะพักนะเป็นคาราวาสก็ลําบากนี่มันมันมีมอญเยมันาทกินมากเมื่อคืนก็ตั้งใจอเจ้าค่ะก็ตั้งใจหลับเร็วเมื่อคืนหลับเร็วแล้วตั้งใจจะตื่นเช้ามันก็หลับยาวเลยเจ้าค่ะ ตื่นตื่นตื่นขโมเดียวก็้าความเป็นจริงของเราว่ามันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราเรามีงานทำเรามันก็เลยทำให้การปฏิบัติของเราค่อนข้างที่จะลำบากยากเย็นหน่อยเพราะถ้าเป็นไปบวยกันก็ถึงไปอยู่วัดกันได้ไม่ต้องไม่ทำงานอะไรมันจะได้มีเวลาเจริญสติได้มากกว่า ร่างกายก็ไม่เไม่ไนะม่ง่วงนอนแต่มันก็นกชอบจะรับความจริงแล้วทํทาทไปเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันโอ้มันก็มีความโลภอยากทำเยอะๆเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ <c oughs> ต้องหยุดงานเลยเรามาหยุดงานแล้วไปอยู่ว่าัด อ, อาทิตย์หนึ่องนี่ทำได้มากๆทำได <c oughs> เยอะๆเดี๋ยววัดก็หลับเจ้าค่ะตอนไปอยู่กุฏิก็ ก็หลับดีมากเลยเจ้าค่ะจนจนรู้สึกว่าเอ๊ะสมัยก่อนเป็นงูเป็นงูแน่นอนเลยหลับเยอะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะจะกินน้อยเจ้าคะ่ะลองลองเจ้าคะ่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะจะมีอันนึงค่ะคือถ้าเราจะเกิดเอาเป็นว่าเอา ง, ง่ายๆก่อนเจ้าคะ่ะจริงๆไม่ง่ายเขาบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเออมันยากมากเจ้าคะ่ะข่าวนี้ก็เลยย้อนกลับว่าเอ๊ะถ้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้อง ือศีลห้าบริสุทธิ์คราวนี้ศีลห้าบริสุทธิ์ก็ต้องกรรมาบทจิตสมบูรณ์ด้วยนะเจ้าคะเพราะว่าไม่งั้นศีลห้าก็ไม่สมบูรณ์เจ้าคะจะนี้เจ้าค่ะเพราะว่าถ้าที่ได้ยินที่ศึกษาแล้วเวลาขอศีลห้าก็เข้าไปให้แค่ศีลหา้าไม่ต้องมีกรรมบทจิตเลยถ้าได้กรรมมาบทจิก็ยิ่งดีแต่ศีลห้านี่ก็ปิ ด, ป, ดปิดอบายได้แล้วไม่ต้องกลัว ถ้าปิดอบายแต่ว่าสมาธิก็ไม่เกี่ยวข้องเลยชไหมเจ้าคะถ้าสมาอันนี้เกี่ยวกั น, นเกี่ยวกันเรื่องการไปอบายห ไ, ไม่ไปอบายถา้ถ้าไม่อยากจะตายแล้วไปไปเสียเวลาที่อบายตายแล้วอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็รักษาสี่ห้าก็พอก็ดูไม่ยากนะเจ้าค้าแต่ว่าทําไม เขาถึงบอกว่ายากมากเล้าคะก็สําหรับคนบางคนมันยากคนที่ก็มีอาชีพท่าจัดจากชีวิตคนที่เขายังต้องโคบบกดอกตัวยังทำคดตระเวนีอยู่มันก็ยากสําหรับเขาที่จะทําทได้แต่สำหรับบาง mm hmm. คนเขาอาจจะเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ง่าง่ายเพราะพวกเทวดานี่เขาก็มีสินะอยู่แล้วเนี mm ่ย hmm. แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะแต่น้อยคนะ ส่วนใหญ่นี่จะเป็นพวกที่จะไปอาบายนกันมากกว่าอเจ้าค่ะตอนนี้หนูเปลี่ยนวิธีอีกนิดนึงเจ้าค่ะเปลี่ยนวิธีนั่งสมาธินี่คือรวมง่ายเจ้าค่ะหนูก็เลยใช้วิธีแผ่เมฆ่อนเจ้าค่ะรับไม่รับไม่รู้แหละแต่ว่าแผ่เป็นการผ่อน่อนผ่อนไม่ได้ผ่อนไม่ได้วาทําให้จิตของเราเนี่ยอื การแผ่นี้เพื่อนทำให้จิตเราละ เ, <ร>เอียดทำให้จิตเราสงบหน<ร>ูรู้สึกนะว่าหนูแผนน่ไม่แผ่แล้วจิตเรามันมันสงบบางบ้า ม, มันรู้สึกว่าปฏิกรรมง่ายาจิตแล้วถูกกับการภาวนาเมตตาภาวนาก็แผ่ไปนยิงไม่ได้แผ่หรอกเป็นการค่ะเป็นการเป็นการภารวานาโดยใช้ใช้บท บิดเมตตาเป็นอารมณ์แทนที่จะใช้พูดโษให้กลมจิตก่อนเจ้าค <ตำ S 2> ่ะแล้วค่อยแผ่ไม่ได้ภาวนาดูลมจะค่ะเมตาที่ต้องแผนเวลาที่เจอกันอย่างตอนเนี้ยต้องเจอกันแล้วต้องพักทา ย, ยันสบายดีเลอไม่ใช่เจอกันแล้วก็ทะเลาะกันว่ากันเจ้าค่ะก็อย่างนี้ก็ไปอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวต้องปรับ ปูใหม่เจ้าค่ะกับเขาก็คุณหลวงพ่อจะขานค่ะถ้าลองกินลดอาหารลงได้ก็ก็จะช่วยแก้ความง่วงได้ลองลองลองเราไม่กินนังเท่งมันเล ย, ยแต่เป็นไงถ้าหิวนนก็เหนื่อยง้างก็แบบง้ามไม่ทําให้ง่วงเจ้าค่ะลอ ง, อ ล, องลองใหม่นะเจ้าค่ะค่ะค่ะ อ, <า>อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้โอเค เดี๋ยวไปที่หน้าที่องดูท่านไหนบ้างที่ยังไม่ได้ม่ได้มีโอกาสคุณเชลินธอน่คุณลินานวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะรอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะซิเวอสปริงค่ะเมื่อกี้พระอาจารย์เรียกเลยเข้ามาได้ยินพอดีเลยค่ะได้ยินค่ะพอดีค่ะพอดีช่วง ไม่ใช่ค่ะทิจิ๊บก็ส่งข่าวเหมือนกันต่ดีนพระอาจารย์ด้วยค่ะพอดีช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาโยมไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าก็เลยปฏิบัติได้ไม่ค่อยดีค่ะพระอาจารย์เพราะว่าลูกสาวโยมคือช่วงช่วงโควิดเนี่ยโรงเรียนเขาต้องเรียนจากโควต์ใช่ไหมค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็เหมือนกับต้องถูกบังคับให้อยู่บ้านทุกคนก็อยู่บ้านกันตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนมีนาค่ะ จนกระทั่งมันมันเกิดอาการซึมเศร้าอะค่ะพระอาจารย์เป็นซึมเศร้าเป็น a อนไซ t ์ a t ี a ย k แทอย่างเงี้ยค่ะพระอาจา ร, าจราย์เรโยมก็รู้สึกผิดมากเลยเพราะว่ายมทำงานเยอะแล้วก็พอทำงานเสร็จยมก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิหรายมก็จะรู้สึกว่ายมไม่มีเวลาให้ลูกจนกระทั่งเขามีอาการนะคะพระอาจารย์ก็สุดท้ายก็คือ สุดท้ายก็คือพ่อเขาก็เลยมารับเขาไปอะค่ะคือตอนนี้ตอนนี้ลูกสาวยมย้ายไปอยู่ที่โดมินิกันบีพับล็ค่ะอ๋อเป็นไกลเลยเนี่ยไปไปคือเหมือนกับพ่อเขามาแล้วพ่อเขาเห็นว่าลูกสาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงอาการทางเพราะว่ามันเหมือนอกับถูกขังอยู่ในบ้านตลอดเวลาจนไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรอะค่ะแล้วโลกของเด็กปัจจุบันก็มีแต่ออนไลน์ แล้วเขาก็ไปคบกับเพื่อนที่ทั่วโลกอะคะ่ะที่มีอาการซึมเศร้าเหมือนกันแล้ว เ, เหมือนกับว่าพยายามจะเป็นซัพพอร์ตกรุ๊ปให้กันและกันโดยที่ตัวเองก็ไม่ดีๆเท่าไหร่มันก็เลยกลายเป็นว่าไปฟังเรื่องคนนั้นคนนี้มาแล้วตัวเองก็ยิ่งแย่ขึ้นคนนี้ยอมก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงยอมก็ทุกข์ใจคนนี้ก็เลยเล่าให้พ่อเขาฟังแล้วพ่อเขาก็เลยตัดสินใจบินมา ที่นี้เราก็มารับลูกไปแล้วก็แอบโยมก็แอบลูกสึกผิดอะคะ่ะแล้วก็ตลอดเวลาที่ทุกโยมก็เลยยิ่งเดินจงกรมเข้าไปใหญ่ยิ่งเดินยิ่งเยือนให้พยายามให้มันหยุดอะคะ่ะพระอาจารย์มันก็มันก็หยุดไม่ได้อะคะ่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ทุกแต่พอเมื่อสอวันก่อนพอดีอากาศมันเปลี่ยนแปลงคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยโยมก็เลยกินยาเพราะนะพอกินยาเราก็เดินจงกรมเดิ น, เ ด, นเดินเยอะมากะคะ่ะพระอาจารย์ แล้วพอ ก, กินยาไปแล้วเหมือนกับมันก็นิ่งนิ่งแล้วมันก็รู้สึกสงบมากคือสงบสงบมากดีมากค่ะพระอาจารย์เป็นความรู้สึกที่ดีมากแต่ใจลึกๆยมก็รู้สึกผิดว่าเออยมยมเดินจงกรม น, นั่งสมาธิมากไหมไหมไม่มีเวลาให้ลูกหรือเปล่ปาอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์ทำให้เขามันก็ผ่านไป <c oughs> แล้วเราจึงน่าจะช่วยเข้ามาปฏิบัติด้วยกันนี่คือวิธีแก้ความเสื่อมเศ้าหน้า โยมพยายามค่ะพอาจารย์แต่เหมือนกับว่าเด็กรุ่นนี้เขายังไม่อยากรั บ, บป่ะคะะอาจารย์พอโยมพาเขาไปวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยพาไปวัดเขาก็จะเหมือนกับว่าแม่ไปละแม่ไปแล้ ว, ลวอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยากให้เขาทําบุญค่อยๆสอนเขาเขาก็พูดว่าเขาไม่เชื่อโยมก็ไม่เช่การเข้สมาค่ะสมาธ<ฆ>ินี่ไม่ต้องเชื่อเพราะสมาธิเป็นแค่ระพีบอกเขา วิธีแก e ้ทวามส้นเศร้านนั่งร่างกายจะสบายจะมีความสุขอครมันก็ผ่านไปแล้วค่ะพยอมก็รู้สึกผิดด้วยว่ายอมยมแฮปปี้มากกับการกับชีวิตที่สงบเงียบแล้วก็เออเรามีเช้าเราก็ได้นั่งสมาธิเย็นเราก็ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วยิ่งลูกไม่อยู่เราก็ยิ่งเดินใหญ่เลยเราก็ยิ่งสงบใหญ่ก็ยาวเลยมาจมาทําลายความสุขของเราในปัจจุบัน มันผานไปแล้วก็จาไว้เป็นบทเรียนก็แล้วกันคําวต่อไปก็เวลาถ้าต้องอยู่กับลูกก็ต้องแบ่งไว้้ายกับเขาว่าค่ะในตอนนี้มันผ่านไปแล้วก็อยกาไปเอามาคิดอีกให้จิตดูในปัจจุบันค่ะอาจารย์ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรกับลูกสลูกสาวมากค่ะอาจารย์กําลัง กำลังอยู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อค่ะพระอาจารย์อ น, นี้เท่าไหร่13ค่ะพระอาจารย์ผู้หญิงหรือใคผู้หญิงคะ่ะยมแผม่เมตตาให้ลูกทุกวันได้ไหมค่ะพระอาจารย์แผนก็ต้องรักเขาถึงแผ่ควันตอนนี้แผ่ไม่ได้นะไมนได้อยู่ด้วยกันตอนนี้อยู่ด้วยกันมไม่ไผแผ่แผ่ค่ะแผ่ทุกวันรักทุกวันเลยคะ่ะรักก็ต้องมันเป็น่มอีความสุ ข, ข, ข, ขต้องต้องมีเวลาค่ะ ก็เหมือนกับว่าเขาอุยยอมให้ทุกอย่างการเนี้ยยอมสปอยทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ถูกอีสปอยก็ไม่ถูกไีกแก็เขาอยากได้อะไรยมก็พยายามหาให้อยากทําอะไรยมก็มีกิจกรรมอะไรยมก็พาไปทําทุกอย่างแต่เหมือนกับเหมือนกับว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันทําให้เราไปไหนอะไรยังไงไม่ได้เจอเพื่อนเจออะไรไม่ได้เหมือนทุก ขังอยู่ข้างในอคะค่ะพอาจารย์ก็ให้เขานั่งสมาธิเขาก็ไม่เอาให้เขาเฉคน เ, เ, ขเขาก็ไม่เอาค่ะเนี่ยเอาแต่ากิจกรรมของเขาเนี่ยขาดแล้วของไม่ดีนั้นนะสิใครรวมก็ไม่รจะพูดยังไงคะ่ะแต่เหมือนกับว่าพอเวลาเรียโรงเรียนเขาจะมีให้เลือกเวลาตอนที่ซัมเมอร์ค่ะให้เลือกว่าทํากิจกรรมอะไรเขาก็เลือกนั่งสมาธินะคะแต่พอแต่พอเหมือนกับคอร์สของซัมเมอร์จบพอมาเปิดเทอมใหม่มันไม่มีแล้วเขาก็ไม่ทํา เหงัอนนะคะก็ไรม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ยมก็อยากจะบอกพระอาจารย์ว่าข่าพระอาจารย์แตตอนยมกินยาแก้หวัดเนี่ยแล้วโยมนั่งสมาธิมันดีจริงๆอะพระอาจารย์มันสงบจริงๆค่ะยาแก้วหวัดธรรมดานี่แหละค่ะคือยมเดินจงกรมเยอะก่อนอะค่ะแล้วสติมันก็เลยแข็งแรงอ่ะค่ะแล้วพอ มันไม่ค่อยคิดอะค่ะมันกึ่งกึ่งกางกลงแล้วก็อย่าไปติดยาแล้วรเดี๋ยวค้ไม่ค่ะพอดีวันนั้นวันเดียวค่ะอจา <Okay. S 1> อะอจารย์ค่ะ <Okay. S 1> อาจารย์ค่ะคุดเพื่อนค่ะตัอย่างกลับมานตระเตนะสาธุค่ะาาอาจารย์แล้วสร็ครับการจะอกอกคุณีโว่อครับยังยังมีครับอยู่หน้าสอนวีโว่คุณ o ีโว่ นิวารใครก็ได้ครับฟีว์หนึ่งเก้าศูนย์หกโอเคตัดนมรสรพระอาจารย์ครับเปนยังไงนยได้มาอยู่ครั้งแรกครับเข้ามาฟังครั้งแรกนะครับผมผมเข้ามาฟังพระอาจารย์ครั้งแรกครับแล้วก็ได้ติดตามที่พอาจารย์แสดงธรรมะนาคุติอยู่เกือบทุกวันนะครับ ทีนมมี้ผมมีผมมีคําถามจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับออื <Okay. S 2> คือคําคําภาวนาเนี่ยเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยเราจะใช้เป็นบทสวดมนต์เลยได้ไหมครับได้ส่วนมนต์ก็ได้คุณทอศดูเท้าก็ได้ครับสวดมนต์ด้วยแล้วก็ดูเท้าด้วยได้ใช่ไหมครับก็ดูเท้าเพื่อจะได้ไม่เดินไปเหยียบอะไรหายใจก็ต้องอยู่กับการสวดมนต์ไป ก็สำคัญคที่ไปคิดเรื่องอื่นแล้กันครับทีนี้อันที่สองนะฮะคือเวลาทาเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอนิมิตหรือว่าไม่เคยเจออะไรอย่างที่คนอื่นเขาเจอเลยแต่ว่าผมผมจะตามรู้แค่ว่าสมมติว่ามีความคิดแว บ, บขึ้นมาไปคิดในเรื่องไม่ดีอย่างนี้ก็จะดึงกลับมารบหรือว่าไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอะไรที่ที่เราไม่ได้ ในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็ดึงจิตกลับมาอย่างนี้ถือว่าถูกไหมครับก็เราต้องมีอะไรถูกจิตไว้ก่อนแล้ใช่ไหมต้องนั่งแล้วต้องพุทธโทรไปแล้วสวดมนต์ไปแล้วดูลมหายใจไปไม่ใช่นั่งเฉยเฉแล้วไม่มีอะไรแล้วปล่อยให้จิตมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วค่อยดึงเหมือนกับเข้าใจคือเข้าใจครับคือคื อ, อตอนเดินเดินจงกรมเนี่ยผมผมเคยเคยเอา่า ทำแบบให้ไม่ไม่คิดอะไรเลยจิตไม่คิดอะไรไม่มีอะไรว่างๆแล้วก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธไปก็ดูดูเท้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราแล้วก็ว่างไม่ได้คิดอะไรเลยนะะเหมือนมันเหมือนกับเราเป็นเหมือนหุ่นยนนะต์นะฮะใช่ก็ดีถ้าไม่คิดอะไรก็ถือใช้ได้แต่แต่กับอันหลังนี่ที่ผมมีมันมีความคิดขึ้นมาแล้วเราตามไปดูมันแล้วก็มันก็ ดึงมันกลับมาอย่างเงี้ยอแสดงว่าสถื อ, ถอว่า ถ, ถูกไหมฮะ ไ, ไ, <อ> ไ, ไม่ต่อเนื่ยตอนที่เราไปคิดก็แสดงว่าเผื่อแล้วเผื่อสติแล้ครับเผอืะอืะต้องอย่าให้มันไปแต่อย่งให้มันอยู่กับต้นเรกับตัวอยู่กับเรื่องที่เราให้มันอยู่อยู่กับพุทธโธแล้วอยู่กับลมหายใจครั บ, รบถ้านั่งฮนะถ้าเดินก็อยู่กับเท้าแล้วอยู่กับพุทโธ ถ้า แ, แต่คุณจะใช่อะไรเป็นเครื่องถูกใจเวลาปฏิบัตินี้ต้องมีใครอะไรคอยผูกใจไว้เอย่าปวดอย่านั่งเฉยเฉยอย่าเดินเฉยเแล้วคอยไปแ่คอยไปได้จับหาความคิด น, นี่ไม่ใช่ทำนี่ไม่ถูกใ ห, ให้ให้มีให้มีอะไรผูกใจไว้ตลอดเวลาพูดโธพุโทโธไปเดูการเดินไปถ้าเดินถ้านั่งก็ดูลมไปนี่พูดโธไปมันจะถ้ามันก็จะไม่ ถ้าไม่มีอะไรถูกม่ว่าเดี๋ยวมันก้วัดไปเส้นเรื่องนั้เรองนี้าใจานะโอเคอ่านทันทีก่อนนะเข้าใจครับอรจอาอยอยู่มาจากที่ไหนอยู่ที่ไหนอผมอยู่จันทบุรีครับอ๋อยันธบุรีมีมาหลากหลายหลายที่ด้วยกั น, นลองกลับไปที่คุณมื่อวัน น, ะนี้หรืเมื่อวันกอนใช่ อยู่ไหนกรุงเทพใช่ไหมเอออยู่อยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์อ่าเออเปิดเปิดไม้ได้ยังคะขอพระอาจารย์เปิปดแล้วเปิดแล้วก็ยังหรืนะ<ะ> อ, อ, อพระอาจารย์คะวันวันก่อนนะคะ่ะได้ยินพระอาจารย์มีคนถามเรื่องว่าเจอโทรศัพท์แล้วก็แบบหาเจ้าของอะไรไม่ได้แล้วก็แบบจะทำยังไงพระอาจารย์บอกว่าถ้าหาเจ้าของไม่ได้ก็ทิ้ว่มั่นั้นพอดีเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อ นานแล้วอะค่ะเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยโยมเจอเงินห0ร้อยบาทมันแบบพับอยู่ที่พื้นนะคะทีนี้ตรงนั้นมันไม่มีใครอะคะ่ะโยมก็มองไปมองมาก็ไม่เจอใครโยมก็เลยคิดว่าเก็บเงินขึ้นมาแต่ว่าโยมก็เอาไปทําบุญที่ใส่ตู้ะคะ่ะใส่ตู้ที่พุตธมนทร์นะคะ จำได้ว่าเอาไปหยอดตู้แล้วก็บอกอธิษฐานว่าขอให้เจ้าของเงินอนัโมทนาซึ่งเราไม่ได้ทราบเป็นใครพอฟังฟาจาย์พูดอย่างนั้นก็ไม่สบายใจว่ากลายเป็นว่าเราขโมยเราเราไปหยิบของที่เขาแบบว่าเขาไม่ได้ให้เราอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีค ะ, ะ, ะก็อย่างนั้นเราเราเราไม่ได้เก็บไว้ใช้ก็ถือว่ามันก็ลบล้างกันไปได้อ๋อ้ก็ก็ก็ไม่ไมไว แล้ว เ, เอาไปใช้เองแล้วคนจะ เ, เอาเงนที่ไ<อ>ปใช้ก็ไปเอะคือโยมไปใส่ตู้หยอดที่พุทธมณฑลนะค ะ, ะแล้วมีมอีอีกอีกอันหนึ่งค่ะพอดีคนโยมโย ม, ยมเป็นเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนทีนี้มีมีคนงานเนี่ยนะคะเขาก็แบบเอ่อทำไอ้โต๊ะโต๊ะเล็กๆอะค่ะเป็นแบบที่วางผ้าไอ้โยมตั้งไว้วางผ้าที่ที่ห้องทํางานอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไม้อันนั้นมันก็เป็นไม้ของโรงเรียนนะคะ หรือเป็นไม้ที่แัดเขาจริ้งๆแล้วคนงานคนนี้เขาเป็นคนช่างประดิดนะคะเขาก็ไปเก็บมาทานู่นทํานี่นิดนู่นนิดหน่อยแล้วเขาก็แบบสนิทกันโยมเ้าก็มาให้โยมแล้วเราเอามานี่ทั้งกมดเราเอาของหลวงมาไหมคะก็มันก็ไม่รู้มันก็เป็นของใครถ้าเป็นถ้าเป็นของเรียนมันก็เป็นของของหลวงถ้าเราอยากสบายใจเราก็เอามันโดยจารให้หลวงไปครัวเป็นห น, นี้ไปอีก เยอะแยก็เอาเงบริจาคให้โรงเรียนไปเอาเงินบริจาคให้โรงเรียนเข้าไปอ๋อเอาเงินบริจาคอะอายขาไม้ไปอ๋อเข้าโรงเรียนญาติโยมบางคนเขทเรียกทำผาติกรรมนะเพรว่าพวลาไปวัดแล้วบางทีไปหยิบมะม่วงที่หล่นตกอยวกลับบ้านเอาไปเป็นที่สมายใจก็เลยมาทําผาติกรรมคือเอาเงินมาใช้ใส่ตู้ไปใช้นี่สงไป อนี่เราก็ใช้นี่ลงไปแล้วกันแล้วก็เอาเงินบริจาคให้โรงเรียนไปเอาเงินบริจาคให้โรงเรียนไปอ๋อเข้าเป็นกองกลางโรงเรียนไปโรงเรียนที่เราเคยทํางานเนี่ยนะคะอือที่เราไปเอาของเข้ามาเราไม่ได้เอาโดยตั้งใจแล้ก็ว่าให้เราจีนเอไม่รู้เราไม่รู้ใช่ค่ะเราก็ไม่ทราบพอๆฟังว่าอาจารย์พูดกันนานแล้วบางทีบางสิ่งบางอ่างที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยสบายใจว่าจะทํายังไง เหตุการ์แต่ว่าตั้วนี้ก็เอแบบก็ก็จะไม่ไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วะค่ะเราฟังพระอาจารย์พูดค่ะก็ก็วันนี้โยมก็มีปัญหาอันนี้ที่ยังคาดใจอยู่แค่นี้ละค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะมาจากกรุงเทพบางเขนนะคะโอเคอย่าสาธุคุณชรศักดิ์เชิญยกมืออนนี้ยกมือก็พอนมัสการครับพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหน อ่าผมอยู่แถวคลองหลวงครับพาะอาจารย์คลองหล่กรุงเทพเลยอ่าครับผมใกล้ใก้กรุงเทพครับคลองหลวงปทุมธา น, นีครับอ่ามีอะไรหรือเปล่าวันนี้อ๋อวันนี้ก็จะมากาบขอกำลังใจแา่พระอาจารย์ครับดนี่ยเราพยามามทำอะไรก็กำลังใจครับพระอาจารย์ครับเพรา ะ, ระว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฮาร์ดไทม์ครับพระอาจารย์อ่าครับ ก็ อ, อดทนก็นักน้อยสันโดษวิธีที่จะู่้กับอปัญหาเรื่องรายได้นั่นและรลลครับลดรายจ่ายลดรายจ่ายใช้แน่นอนใช้เท่าที่จำเป็นครับแล้วเดี๋ยวก็พอไม่มากก็ไม่ใช่หม่อันนี้ไม่มีก็อย่าไปใช้อย่าไปเป็นนิ่งได้ครับอดหวานอดอ ด, อดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าครับ ตรงนี้หนักหนักเรื่องงานนะครับพระอาจารย์ก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันครับเป็นที่ตามกําลังความสามารถของเราได้มากได้น้อยก็ทําก็ถือว่ามันได้เท่านั้นแหละอย่าไปอยากได้มากกว่าความจริงก็แล้วกันได้ครับพระอาจารย์ครห้องว่างก็พุทโธพุทโธบางนั่งสมาธิไปบ้างก็จะช่วยบรรเทาได้ครับก็พยายามภาวนาอยู่ครับช่วงนี้แต่ว่า มันก็ออ่มีเรื่องทางโลกมาเกี่ยวข้องมันก็เลยไม่ค่อยสงบเท่าไหร่อืก็ต้องฝืนมันต้องแหวกมันแหวกออกจากเรื่องทางโลกให้ได้ะหาเวลาไปปิดตัวนั่งหาที่นั่งเงียบๆพูดคุยกันพยายามจิตใจให้สงบให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วใจจะสบายขึ้น ครับอาจารย์มีเทนี้นะเท่านี้แลครับอาจารย์ครับขอไปที่ท่านต่อไปนะคุณาขอสวัสดีนะคุณนพอยอันอยู่ที่ไหนอยู่โนเวค่ะโนเวโอ้มันีมากประเทศนะค่ะหนูเป็นครั้งแรกค่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะหนูก็ปฏิบัติเอ่อ ทุกวันบาย้พรสสวดมนลแต่มามาช่วงหลังจากเดือนซัมเมอร์มาเนี่ยค่ะมันลงไปเยอะค่ะลงไปลงไปเยอะฟุ้งซ่านเยอะค่ะเ่องมากค่ะค่ะและทีนี้ก็พอพอตกกลางคืนคมาก็ฝันร้าย ฝันเห็นพ่อแม่น้องชายที่ตายมามาบ่อยมากค่ะแต่หนูก็ทําบุญช่วงออกพรรษานี่หนูก็ถวายยอดกระถินกับหลวงพ่อสมศรีไปค่ะไปให้แต่แต่หนูยังไม่ได้อแถมเมตตาเรื่อยๆเพราะช่วงนี้หนูงานเยอะค่ะอก็เลือกไปนันจาแน่เลยพอทาบุญเสร็จก็บอกขอที่ส่วนบุญให้กับผู้ที่ร่วมรับแสดงมา ไม่ต้องมีทีอะไรไม่ต้องมีหน้าไม่ต้องมีแล้ค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ต้องให้ภาพมาสวดให้อ่ะไม่มีคาพเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเวลาทำกุญนี่ไม่ต้องมีภาพไม่ต้องมีหน้าค่ะมีหน้นทำบุญก่อนทำบุญแล้วก็บอกกองทุนส่วนนี้ให้กับท่านนั่นท่านนี้ก็เสร็จประโยชน์แล้วค่ะค่ะทีนี้หนูปฏิบัติอยู่ทุกวันก็คือ สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เ อ, อสมาธิไม่เคยเกิดขึ้นเลยค่ะมีแต่ฟุงงฟ้งซ่านตลอดฟุ้งซ่านเรื่องงานค่ะแต่เวลาสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในห้องพระนี่ก็ได้แค่ชั่วโมงเดียวอีกชั่วโมงกว่าอีกที่เหลือก็ฟุ้งซ่านนะอืมไม่ไม่ไม่สวดตอนสมัยฟุ้งไม่สวดตอนอะไรอย่างนะีอ้อ่า หยุดตอนที่มันไม่คงนะ้ายังไม่คงถ้ายังปรุงไ้สวดต่อไปคะ่ะก็ปฏิบัติทุกวันสวดมนต์ร้าพัดค่ ะ, คะได้บ้างไม่ได้บ้างยางดไีไม่ไม่ไม่คะ่ะค่ะก็ซื้อสิสห้าซือ้อสินห้าก็ดีขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนโดยเฉพาะข้อห <Burn. S 1> ้าก็คือลดอบับพวก สุราพวกอะไรเนี่ยก็ไม่เคยออกไปข้างนอกกับเพื่อนฝูงงดตลอดเลยค่ะ ด, ดีขึ้นสิห์ห้านี่ดีขึ้นเลยทุกข้อเลยค่ะประหยัดเงินด้วยประหยัดช่วยรักษาสุขภาพจิตรษา่าง ก, กายค่ะค่ ะ, คะแล้วมาตอนหลังเนี่ยอหลังจากซัมเมอร์หนูได้เริ่มเข้าไปทํางานจิตใจก็ดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนมีแต่คิดเรื่องงาน เรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะรักษาสิหห้าตลอดเลยค่ะกค่ะไอ้ที่หนูทำอยู่นี่พระอาจารย์คิดว่าหนูทำถูกแล้วใช่ไหมคะหรือมีไอ้คำแนะนำค่ะกำลังทำได้แล้วทำไปไม่มีกำลังก็ไม่ต้องทำค่ะรักษาสิหห้าคือก็ไหว้้าสวดมนต์ไป ค่ะหนูก็ทําบุญเนี่ยหนูจะทําที่วัดของหลวงพ่อสมศรีที่ที่วังส ป, ปุงนะคะหนูจะทําตลอดหนูจะโอนเงินไปทําตลอดหลังจากค่ะคือมีพระพระอาจารย์อยู่ที่นั่นทั้นบวชคะ่ะทีนี้หนูก็จะโอนเงินไปทําบุญเจดีกับหลวงพ่อตลอดนะคะเงินจากเหลือจากที่ทํา ง, งานเนาะคะ่ะ ก็อยากไปทำแล้วเบียดเลียนตัวเองแล้วกันถ้าไม่มีใเื่อยากเพิ่งทำก็ต้องเล่นบาสเล่นเท้าเราก่อนแล้วถ้ามีเนื้กินเนื้ใช้ก็ค่อยไปทำคือพ่อแม่น้องชายภาระทั้งหลายของหนูเขาไปหมดแล้วไงหนูก็เลยพอมดีมีเหลือส่งส่งไปทําบุญตลอดที่นี่ได้ทำได้กันดี ่ะรักษาสี่ห้าให้ดีนะควับหมายไว้พักสอนวนอยู่เรื่อยๆค่ะคสั่งเพศทมด้วยคเศมค่ะเพิ่งเื่อพิ่งมาพังอาจารย์ได้อาทิตย์เมื่อกี้นี้ครั้งแรกเลยค่ะแต่หนูก็ปฏิบัติตามตามตามอาจารย์ที่เขาเขาสอนหนูทำเนขมะค่ะเขาคอร์สในขมะออนไลน์กับเขาค่ะ สิบสี่แปดเท่านี้ทามาก็ต้องสิบสี่ปค่ะแต่ว่าทําอยู่ที่บ้านได้ทําที่ไหนก็ได้ค่ะเดือนเดือนหนึ่งหนึ่งหนูบางครั้งถึงสามวันแต่เดือนหน้านี่เขาจะทําเป็นสิบวันถ้าสิบวันมันเยอะไปหนูทําไม่ได้เพราะหนูต้องไปทํางานเพราะ <ขอ S 2> ดค่ะค่ะหนูก็เลยคิดว่าทําที่เราทําได้แต่หนูจะจะสวดมนต์กับ กับไอ้ถือสินห้านี่ตลกด่ะค่ะจะทำให้ตั้งใจว่าจะต้องทำค่ะทำไปแล้วจิตใจจะดีขึ้นไปเลยจิตใจจะเย็นสงบมีความสบมากขึ้นความสุายใมค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูฟังอาจารย์แล้วหนูก็ฟึ่งมาดูเนี่ยค่ะเพิ่งเข้ามาเจอเห่อเพิ่งเข้ามาหนูเสร็จงานเนี่ยหนูก็ หนูหนูเพิ่งเสร็จงานด้วหนู่าเปิดดูเอ๊ะเขามีออกมีมีมีซูม Zoom กันหนูก็เลยเพิ่งเข้ามาเนี่ยคะ่ะเลิกงานมาก็เลยมานั่งไม่เคยเคห็นหน้ามาต่อไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะสวดีเลิกงานมามามาเปิดดูนั่งพักอยู่อ่ะขอเข้ามาหน่อย เออพระอาจารย์มีอะไรแนะนำหนูมากไปกว่านี้ไหมคะหรือยังไงพยายามศึกษาธรรมะอ่านฟังเทศฟังธรรมเรื่องเข้าไปมันจะได้เกิดความรู้มากขึ้นต้องศึกษาศึกษาแล้วเราเรียนรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรค่ะค่ะค่ะคก็ฟังพระอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะ มีท่านต่อไปมีใครบ้างมีฝรั่งเข้ามาด้วยินะเนี่ยเดี๋ยวคุณเมื่อกี้เหเจคุณไอโฟนฮะอคุณไอโฟนนะไอโฟนเจคุณไอโนะาไงอยู่ที่ไหนจนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูอยู่ฉะเชิงเซาค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะมีมีเจ้าค่ะเอ่อ ตอนนี้หนูก็มันนั่งสมาธิภาวนานะคะพระอาจารย์แล้วก็พยายามกาหนด อ, อพยามเวลาหนูภาวนาค่ะหนูจะกาหนดพุทโธแล้วก็จิตหนูอะหนูจะไปจับจลิตหนูชอบที่หนูจะไปจับตรงลมหายใจขึ้นลงระหว่างพุงจนถึงหน้าอกอะค่ะพุทโธหนูว่าจิตหนูจะสงบตรงนั้นมากกว่า<ม>ค่ะ คราวนี้นค่ะคราวนี้หนูยังไม่เข้าใจเ เ, เวลาหนูนั่งอะ่ะจิตก็คือจะค่อนข้างจะสงบได้ง่ายนะคะพอาจารย์เวลาจิตส่งออกไปข้างนอกหนูก็จะแบบจะรู้ตัวเร็วขึ้นแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทธโธเกาะตลอดคราวนี้แต่หนูยังไม่เข้าใจว่ า, าหนูระหว่างาสา ม, ถ, รมรถากรรมฐานนะคะ ระหว่างให้จิตมันสงบจะแล้วเราจะไปยังไงกับเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนะคะพระอาจารย์หนูยังไม่เข้าใจเจ้าค่ะอ่อมันทําเงินประตอนไงตอนที่เา่งสมาธินี่เราทําสมาถิแล้วทำใจให้นิ่งให้สงบอันนี้มันไม่นิ่งไม่สงบก็ทําให้มันนิ่งก่อนทำมันนิ่งแล้วมันไม่ต้องดูลมมันไม่ต้องพุทโธไม่ต้องอะไรมันจะอยู่เฉยได้ยังทําต่อไปส่วนวิปัสสนาเนี่ทําตอนที่ไม่ได้นั่งเช่นตอนเนี้ย สามารถทำวิปัสสนาได้โดยการนึกคิดถึงทำเช่นไตรักอนิจจรทุกขังอนัตตาเช่นพิจารณาร่างกายของเราว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นบินน้ำลงไปเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่สวยงามมีอาการสามสิบสองมีวิปัสสนาต้องทำแยกออกมาไม่ได้ทำพร้อมกัน ไม่ได้ต่อเนื่องกันใช่ไหมคะคุณอาจารย์ไม่ได้ต่อเนื่องกันตอรที่นั่งให้มั น, นถ้ามันยิ่งนั่งมันยนิ่ง น, นานนนราะนั้นต้องการหยุดพักผ่อนจิตใจให้มันมีกําลังเพราะมันพักผ่อนได้นานมากเท่าไหร่มันออกมามันจะมีกําลังจเจริญปัญญาได้ปฏิบัติวิปัสสนาได้อือเจ้าค่ะพอพอหนู <c oughs> ถอนจากสมถกรรมฐานขึ้นมาก็คือหนูจะพิจารณาด้วยอ่าเ<อ>จ้าค่ะ ดูจานร่างกายก่อนร่างกายค่ะ<ม>ก็คืออ่าผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ได้คือมันมีหลายหลา ย, หลายวิธีถ้าเราต้องการดูวันนิจจังก็ดูว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่เดี๋ยวก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายถ้าจะดูวันนัสตาก็ต้องดูมันเป็นดินน้หลมไปนะฮะคนตายไปมันก็กลับไปสู่ดินน้หลมไปไม่มีตัวตน ถ้าจะดูความไม่สวยงามก็ต้องดูผมขนเล็บฟันหนังไม้เอ็นกระดูกเข้าไปในข้อประ ก, การที่สองจ้าจค่วงานกับร่างการว่าสวยบ้า ง, งางเจ้าค่ะมีสามสามสามสาขั้นตอนหรือสามแบบดูไม่เที่ยรดูว่าไม่มีตัวตนถ้าก็ดูว่ามันไม่สวยไม่งามเจ้าค่ะค่ะแล้วก็ ค่ะเข้าใจเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกจะฝึกต่อค่ะแล้วก็คำถามที่สอง่อหนูห น, นูพยายามนั่งสมาธิาช่วงวันหยุดอะคะ่ะพระอาจารย์หนูจะนั่งหนูจะอธิษฐานนั่งสองชั่วโมงต่อเนื่องเพื่อฝึกขันติด้วยะคะ่ะพระอาจารย์ครา้งนี้แรกๆหนูก็ได้สมาธิค่ะแต่พอช่วงจะท้า ย, ายชั่วโมงที่สองอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารยา์ร่างกายมันทรมาน ค่ะเขาเนี้ยหนูก็เลยต้องสู้กับมันดังนั้นจิตหนูจะไม่สงบแล้วค่ะพระอาจารย์จะช่วงแบบเท็จท้ายต้องชใช้พุทโธด้วยสวดมนต์ต่อไปค่ะมันจะไม่ไม่ไม่ไม่ฟูไ้ดได้ค่ะสติหมดกําลังเลก็ต้องก็ต้องแจ้งกาลังของสติด้วยการสวดมนต์ด้วยการบ ร, ริการรมพุทโธต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยวจะพักเนี่ยครัจิตก็จะนิ่งจะสงบแล้วมัจะไม่ทรมานค่ะ นั่งครบเวลาที่เราตั้งไว้นะค่ะตอนหนูหนูจะตั้งนาฬิกาวไวค้ค่ะหนูหนูก็จะแบบโอ้ยเมื่อไหร่จ ะ, ะครบสองชั่วโมงอยากจะหยิบอยากจะลืมตาแล้วก็จะไปหยิบโทรศัพท์มาดูคือใจเราก็สู้ว่าเอาไม่ทำหน้าอะไรเงี้ยที่สุดเราก็ชนะแต่ว่าจิตหนูจะไม่สงบช่วงท้ายๆ <laughs> เดี๋ยวหนูจะฝึกฝึกต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะ นัต่อไปนะคุณโมโตจิจากดาบนคุณโมโตจนอนยูอนยูกันโอเคกานมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเอ๊ะทำไมไม่ได้ชื่อสุภาตาแปลกจังทำไมไอดีเปลี่ยนโปรแกรมมันเปลี่ยนให้เราเราไม่ใช่ค่ะฟ ค่ะวันนี้เข้าลิงก์ไม่ได้อะค่ะเข้าลิงก์องของพระอาจารย์ไม่ได้ก็เลยต้องเข้าซูมแล้วก็ใส่ไอเดีเข้าไปนะแล้วค่ะค่ะพอดีวันนี้มีมีปัญหานิดหน่อยตอนต้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีอะไรไหมก็พยายามตอนนี้ก็ฝึกสติเรื่อยๆนะเจ้าค่ะก็พยายามฝึกสติแล้วก็เมื่อก่อนรู้สึกว่า ที่ต่อก่อนที่จะปฏิบัติก่อนที่จะสนใจทางทางนี้นะคะวิชานี้ก็ก็ไม่ได้แบบอะไรกับร่างกายก็ก็ไม่เห็นมีอะไรแต่พอมาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าทําไมแบบเอ๊อเรานี่มันห่วงร่างกายเหรือเกินนะทําไมเราแบบไปยึดติดมากคือคือมีความแบบอะไรนิดอะไรหน่อยก็ก็อะไรก็มากับร่างกายตลอดเวลาก็เลยมองเห็นว่าโองมันเหนียวจริงๆอเจ้าขามันยึดจริงๆร่า ง, ง, นนงกายของเราที่เป็น เป็นของที่เรารักมากที่สุดเพราะเราต้องใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราเมือมอม่อก่อนนี้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเร า, เราสามารถหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไนดะ้หาความสุขแบบความสงกต่อไปเราก็จะปล่อยวางร่างกายนะน่าจะยึดไปติงเลเจ้าค่ะ ก, ก็ก็เลยปึตอนนี้ก็เลยแบบพอเห็นว่าหูมันยืดเหลือเกินมันมันทุกอย่างเลยทําไมมันอะไรเดี๋ยวก็ คิดเกี่ยวกับร่างกายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็เลยแบบตอนนี้พยายาม ฝ, ฝึกฝึกสอนตัวเองให้ยอมรับอย่างที่พระอาจารย์สอนนะเจ้าค่ะว่าให้ให้ให้ให้ใหยอมรับนะคะกับทุกสิ่ง้ะค่ะไม่ดตจนไม่ใช่ของเราเป็นดินฟ้าค่ะาศยินฟ้าอากาศยินน้ำยินไฟมันจะเป็นไงก็ต้องฝันเป็นไปจะแก่จะเจ็บจะตายก็ห้ามเมืนไม่ได้เจ้าค่ะ ถ้าเราปล่อยได้ใจเราจะไม่ทุกข์เลยเจ้าค่ะพยายามพยายามฝึกทุกวันนะคะฝึกเ อ, อสติสมาธิแล้วก็สวดมนต์แล้วก็วิถีชีวิตก็พยายามเนี่ยนะคะพยายามยอมรับฝึกยอมรับกับทุกอารมณ์ทุกอย่างก็ไม่อยากสูข ก, ก็ได้ทุกข์ก็ได้ก็พยายามฝึกอะเจ้าค่ะฝึกไปเรื่อยๆ เ, ยเยจ้าคะ่ะใจเป็นรูเบคขาเฉยๆอยาไปรักทางกลัวหลงกับอะไร เจ้าค่ะลูกก็คงมีแค่นี้เจ้าค่ะโอเคหน้าที่ลูกเนี่ยหน้าทีท่านต่อไปคุณเลชวัตรเลชวัตอยู่ที่ไหนคุณเลชวัตฮัลโหลกับนมัสการครับอาจารย์ได้ยินเสียงกับผมไหมครับได้ยินอ๋อกระผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขอรับอาจารย์ครับกระผม่เพิ่งได้เข้ามาครั้งแรกครับอาจารย์ครับอ๋ ก็วันนี้นะครับก็กับผมก็ขออนุ ญ, ญาตกราบเรียนพ่ออาจารย์นะครับปกติกับผมนี่จะสวดมนต์อย่างเดียวเลยพ่ออาจารย์ครับไม่เอาอะไรเลยครับเป็นชั่วโมงแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันทําให้ตัวกับผมเครียดนะอาจารย์ครับแล้วช่วงหลังมานี่ผมก็เลยทิ้งสวดมนต์หันมาภาวนาพระอาจารย์ครับก็เอาอเลยเอาใหม่ๆก็ไม่รู้จะยังไงก็เอาพูดโทแล้วก็รู้สึกเครียดเองครับพ่ออาจารย์ขอรับ กับผมก็เลยทิ้งพูดโทไปอีกครับก็เลยเอาแต่ลมหายใจครับทีนี้กับผมทํางานหรือว่าอยู่ที่ไหนครับก็พยายามไม่คุยกับใครครับผมก็ลองสนใจแต่ภาวนาลมเข้าลมออกดูมันเข้ามันออกที่จมูกกับผมครับและนี่มันเกิดอ่าปัญหาจุดหนึ่งครับอยากจะขอคําแนะนําพระอาจารย์ขอรับกับผมอ่ารู้สึกว่าหายใจเข้าแล้วมันอึดอัดพระอาจารย์ครับหายใจเข้าแล้วมันอึดอัดมันรู้สึก หายใจมันไม่ถึงจุดมันึเนี่ยครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะปัญหานี่มาจากอะไรไม่ทราบครับเป็นตลอดเวลาหรือเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิอ่าเป็นเฉพาะอ่าตอนที่เรากําหนดภาวนาครับตอนหายใจมันอาจจะเครียดต้องใจต้องปล่อยให้ใจเบาๆให้ดูเฉยๆอย่าไปบังคับลมโดยบังคับลมหายใจเหมือนตอนนี้คุณไม่ได้บังคับมันปล่อยให้มันหายใจของมันเองครับ อคือกับผมต้องปล่อยมันนะครับอปล่อยมันดูที่ปลายจมูกมันเข้าก็เข้ามันออกก็ออกอย่าเข้าลึกไม่ลึกก็เป็นเรื่องของมันไม่จำเป็นบางครั้ไม่จำเป็นเสมอครับแล้วก็ครับแล้วพระอาจารย์ครับแล้วอาา่าปกแล้วตอนที่กับผมนั่งนี่ครับกับผมก็ฝึกใหม่อยู่นะครับผมนั่งก็ไม่นานครับแต่กับผมนั่งไปแล้ว มันรู้ว่ามันมันคล้มหรือมันหลับก็ไม่รู้นะแต่มันก็รู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบานะะะาา้างนะครับมันเคริ้มนะจะจะเป็นไม่อท่าไหร่นะควรจะเปลี่ยนวิธีลุกขึ้นมาเดินจบกลมแทนดีกว่าครับเดินนี้ก็เดินยังไงก็เดิน ไ, ไปแล้วก็สวดมนต์ไปก็ได้หรือพุทโธไปก็ได้หรือดูเทาาาา้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปขอรับคอยควบคุมไม่ให้ใจไปติ้ทั้งยาวต่างๆ กับผมจะคอน้อมไปปฏิบัติได้ยังไงครับนอไมด้ย่าหน้าเลยน้าเนี้ยก็จะหลับก็ไม่ได้ผลอะไรคือมันยังอยู่ปลาให้าเติมให้ามีสติคนที่มันเค้มาสติมันหมดครับแต่ขอบคุณหอยชนครับน่าจะต่อไปใครเอ่ยมีไหมคุณออีฮะออีคุณออีเหรออที่ยังง่าเกย ค่นะนมัสการค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้กําลังสู้กับความทุกข์อยู่ค่ะกําลังสู้กับการต้องไม่ยึดมั่นถือมันกับตัวทุกอย่างที่เว่าเราคิดว่าเป็นของเราเพรทุกอย่างมันไม่ใช่ของของเรากําลังต่อสู้อยู่ค่ะพรุ่งนี้ก็ว่าต้องสู้ต้องสู้ด้วยส ต, ติต้องสู้ในกันตัวนี้ตัวนี้ตวนีไ้ไว้ ไม่ไม่เฝื่นค่ะใช้สติเนี่ยค่ะตามคําสอนของพระอาจารย์เลยหนูก็พยายามต่อสู้ปล่อยวางเพราะว่าตายไปหนูก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ถ้ายึดยึดมั่นถือมั่นหนูก็จะทุกข์อยู่กับกองทุกตรงนี้หนูก็กําลังต่อสู้กับตัวเองตรงเนี้ยค่ะว่าอย่ายึดแต่จริงบางทีมันก็นึกน้อยใจเนะพระอาจารย์ใช่คุณโ<อ>ยนใจนี่จั ง, งะจะปล่อยได้ พรุ่งนี้หนูว่าหนูจะไปวัดพระอาจารย์ไม่ลงแต่ว่าหนูว่าจะไปนั่งสมาธิไปทงนู้นจะได้สบายใจมันเป็นที่เดียวที่เป็นยึดที่ยึดเหนี่วจิตใจะะอ่ะค่ะเออเออคงจะมาที่กุงิเราคงไม่สะดวกนะเพราะว่าไม่ไ<า>ม่หนูไม่ได้ไปหาพระอาจารย์เวลาหนูไปหลายครั้งแล้วหนูหนูไปนั่งที่ทม<ว>ูลดบข้างบนค่ะไปนั่งที่พระศรีอริยะเมตไตมั่งใช่ค่ะโอเค พยายามทำใจสงบะวิธีปล่อยวางที่ดีสุดก็คือทงใจให้สงบค่ะก็พุโทโธอยู่ค่ะะอาจารย์พอรตรงไหนที่มันเครียดมากๆก็พยายามหาที่มุมสงบแล้วก็นั่งสมาธิจ ะ, จะจะได้มีที่พักใจค่ะโอเคทำไปเรื่อยนะอย่ท้อไม่ท้อค่ะหนูจะมาทางนี้ค่ะหนูจะไม่ท้อค่ะาอาจารย์กลับจากถูก ค, ค่ะโอเค ยังมีคำถามจาแอดมินตาอมินคุณหนาเชมีสามคำถามจากทาง f a c e b o o เจ้าค่ะคำถามแรกคำถามแรกจากคุณติ๊กภวิษาค่ะกราบนมำมศการพระอาจารย์ค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราไม่ได้ทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูปแต่เราทำบุญด้วยการช่วยเหลือคนสัตว์และและบริจาคให้โรงพยาบาล และบำรุงพระพุท ธ, ทธศาสนาด้วยการดูแลความสะดวกสบายให้กับพระสงฆ์และวัดอ น, นิสงส์บุญอย่างนี้จะดีกว่าการสร้างพระพุทธรูปใหม่คะก็อ น, นิสงส์ที่ได้ที่จิตใจของเราเหมือนกันไม่ว่าเราจะทําทํากับอะไรก็ตามแต่ประโยชน์ที่จะเกิดมันไม่เหมือนกันถ้าเราสร้างพระพุทธรูปเราก็จะมีพระพุทธรูปไว้กราบไหบูชาเนี่ย ถ้าเราสร้างโรงเรียนแล้วก็มีโรงเรียนไปเรียนสงเด็จสงเด็กไปเรียนหนังสือนั้นประโยชน์แ ต, ต่ละอาณ น, นไม่เหมือนกันถ้าเราไปสร้างโรงพยาบาลเราก็จะมีที่รักษาโรงพยาบาลรักษาโาครคภัยไข้เจ็บประโยชน์ที่ทำนั้นไม่เหมือนกันแต่ผลบุญที่ได้ในใจนี้เหมือนกันคือความสุขใจเห็นใจที่เกิดจากการเสียสละของเราถ้าเราเลือกทําได้ถ้าเราเราชอบสร้างโรงพยาารูปก็สร้างโรงพยาารูปเราชอบ เลี้ยงเลี้ยงพระก็ไปเลี้ยงพะระระชาญเลี้ยงเด็กพิการก็ไปเลี้ยงเด็กพิการได้ใช่ไหมได้จะเกิดบุญเกิดความฉุกใจยใจให็นใจขึ้นมาต่อบคําถามต่อไปจากคุณชยานันมูลแรบบิทค่ะกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะบางครั้งขณะฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ลูกนั่งสมาธิและดูลมเข้าออกและรู้สึกสงบไม่คิดถึงสิ่งใด มีความรู้สึกสว่างแต่ยังได้ยินเสียงเทศอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะที่เกิดแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะพระอาจารย์หากยังไม่ถูกต้องลูกควรแก้ไขปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าจิตสงบมันก็จะไม่ค่อยสนใจกับเสียงธรรมที่เราฟังหรอกแต่ก็ได้ยินเพราะจิตมันเข้าไปข้างในนะนั่งสมาธิแลนัางฟังธรรมเพื่อให้จิตสงบอย่าง คือให้เกิดปัญญาอย่างหนึ่งได้สองแบบต่อไปถามสุดท้ายจากคุณก้อยฮาลุไทยค่ะขอากลาับถามพระอาจารย์ว่าสติอัตโนมัติเป็นอย่างไรคะก็สติแบบไม่เผลอไงตอนต้นเราปฏิบัติสติเรามักจะเผ ล, ลอล้มลุกคุกคัานตั้งพุโทโธเลยสองสามคำว่าเผลอไปกินเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ถ้าเป็นสติอัตโนมัติมันจะอยู่กับพูดโธตลอดเวลามันจะไม่ไปเถอไปสิ่งนั้นเรื่องนี้และมันไม่ต้องบังคับมันด้วยมันเป็นนาฬิกาอัตโนมัติเห็นมั้ยนกาอัตโนมัตินี่สมัยก่อนก็ไม่ต้องไขลานมันก็จะเดินวนไปเรื่อยๆสติก็เหมือนกันตอนต้นก็เป็นสติไขลานก่อนต้องคอยไขลางต้องคอยบังคับให้มันพูดโธพูดโธพูดโธรต่อไปพอมันเริ่มมันเริ่ม เริ่มจเจริญเริ่มต่อเนื่องแล้วต่อไปมันก็จะไม่ต้องบังคับ ม, มันก็จะพุโทโธมันจะมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อไปคิดเรื่องราวต่างๆนั่นเรีกว่าสติปัญญาสติอัตโนมัติสติมุตอาดามนี่มันเป็นของพระอริยเจ้าแล้วต้องขั้นขั้นที่สามนะคือขั้นพราอ น, นาคามีขึ้นไปนันจะเป็นสติปัญญาและอัตโนมัตมีอะไรไหมหมดแล้วล่ะ หมดแล้วเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามให้ยกมือเพื่อนได้นะตอนนี้ฟรีสไตล์แล้วก่อนที่เราจะเลิกนะเพรก็หนึ่งชั่วโมงกับสี่สิบเจ็ดนาทีก็ไปแล้วก็ยังเปิดเปิดโอกาสาให้ได้ถามมานิดหน่อยถ้าใครมีคำถามก็เชิญยกมือแล้วก็อันนิ้วมากระพรนได้เลยไม่ดีเลยไม่มีก็จะได้ปล่อยกลับบ้านกัน เพราะว่าความเขา เ, เกือบสองชั่วโมงอ่ะหนึ่งชั่วโมงมีครับคุณคุณมาริวันคืน อ, <ะ>อพระอาจารย์คะเอ่อเวลาเดินจงกรมนะคะตอนนี้คือโยมตอนเช้ายโยมจะเอาอาหารไปถวายพระที่วัดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปปฏิบิในโบสถ์ก็คือเดินจงกรมอะไรแบบนี้คะ่ะคือืม ระยะทางที่เดินนี่ก็ยาวกว่าสมควรทีนี้ว่าอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราเราเดินอยู่ในโบสถ์นั่นแหละแต่ว่าคือไม่มีคนนะคะเราไม่ได้ไปเดินข้ามหมูห่ใครปฏิบัติอย่างนี้พอได้ไหมคะหรือเป็นการไม่สุภาพหรือเปล่าคะหรือ ย, ยังไงคะแต่แต่ตัวองค์พระประธานท่านก็อยู่สูงมากะคะ่ะถ้าไม่มีใครเห็นก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนอห็นนั่งหรือมันน่าจะไม่เหมาะสม โยมโยมจะไปเ ด, เดินตรงที่ไม่มีคนก็นั่งสมาธิค่ะห่งหางๆเขาอะค่ ะ, ะ, ะก็มันก็แบบเพ่ามีหลังมันก็แบบว่ามันคาบลูกคาบดอกไม่เหมาะ อ, อ่ามันอยู่ในโบสถ<อ>์นั่กนในในอุทยานโบสถ์ข้างหน้าน่าเคารพมากกว่าคือนั่ ง, งอ๋ออย่างงั้นเราไปเดินข้างนอกอเดินข้างนอกน่าจะเหมาะสมกว่า อ๋อค่ะเดรอบบก็้เดินรอบโบก็ไดค่ะเดินเป็นวงกลมได้ไหมคะได้ได้เรียนประทักศินอะไรอย่างนี้แล้วก็เราเอาพัดพัดลูกอยู่ด้านขวาของเราค่ะค่ะอย่างนั้นจะจะเหมาะจะเหมาะสมสุภาพมากกว่าโอ้ค่ะค่ะการเดินในโบสถ์ในชาลาอ๋อ ค่ะักว่ายน้สวยี้มากกว่าแต่ถ้าไม่มีใครอะไรอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรเรเดินได้ก็จะเดินก็ได้ถ้ารู้ถ้าไม่รู้เราเดินเรื่องเราได้หรอแต่คนอื่นเขาจะคนอื่นรู้เขาจะอืมค่ะค่ะค่ะอบสาธุพระอาจารย์ค่ะมีกายยังจะถา่ยกมขึ้นว่าอ่าคนคนหลา มีคำถามเข้ามาอย่างไรมีหนึ่งคำถามเข้ามาเจ้าค่ะจากคุณเบลพานุพง์สุจใจกราบนาัชการขออุบายพระอาจารย์ในการลดอัตราตัวตนได้ไหมครับรู้สึกว่าช่วงนี้กําลังสู้กับตัวนี้อยู่ครับพระพุทธเจ้าบอกให้ทำทุกทำตัวเราให้ต่ําที่สุดให้เราคิดว่าเราเป็นปัตภพีเป็นแผ่นดินใครจะเหยียดใะรจะย่างใครจะอุจจาระปัสสาวะใส่ก็ ก็เขาสามารถทําได้กว่าให้เขาทำไปปัตตภีไม่ไม่ต่อต้านอะไรทั้งสิ้นนี mm ่ hmm. พูดง่ายๆก็คิดว่าเราเป็นแจ๊วหรือเป็นคนรับใช้ก็แล้วแต่เวลาไปเจอใครก็คิดว่าเขาเป็นเจ้านายเราเราเป็นลุ้งน้อมเขา mm hmm. สมมุติมันเป็นความสมมุติเท่านั้นอ่ะบางทีเราไปสมมุติตัวเราสูงเร mm hmm. าไม่คนเขาไม่สูงตาเราก็เลยไปโกรธเขาไปมีความเสียใจเห้เราต้องสมมุติตัวเราให้ต่ำ ให้เต่าที่สุดถ้าเป็นประภีได้ก็ยิ่งดีประตีแผ่นดินใครอยากจะเหยียบใครอยากจะยอ่อมใครอยากจะลดจะฉีดลดแย่ปัสสวะอะไรเขาก็ไม่เดือหรอนเราต้องหัดนทะําทตัวแบบนั้นเคือทาตัวเหมือนเป็นภาคทีริ้วกันนะผ้ากีริ้วใครเขาจะไปใช้ทำอะไรก็ก็ใช้ได้ น, ะนะนั้นอั่นคือวิธีลดอัตราตัวตัว เราต้องคอยเกือนตัวเราว่าเฮ้เราเป็นแค่คนใช้นั้นตอนแค่แผ่นดินนั้นเองเราอย่าไปหวังอะไรจากใครไม่อย่าไปหวังให้เขาเคารพเราอะไรยกย่องเราอะไรต่างๆเพราะเรามันไม่ดีไม่มีคนไม่มีเกียรติเพื่อน ง, ง่ายๆเราเป็นเหมือนคนใช้คนรับใช้แล้วเราสบายใจมีอะไรไหมหมดหม ด, หมดแล้วเจ้ค่ะมีใครยกมือรึเป่า ไม่ีขอปิดประชุมเมื่วันนี่ทคิดว่าเหนื่อยพอสมควรแล้วหนึ่งั่วโงห้าสิบสองนาทีนอ่นน่าคิดว่าพอสมควรแต่วเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพ จ, จรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ